เรื่องเล่าไม่ควรเล่าห้องพิเศษก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ผมขอไม่บอกสถานที่ที่ชัดเจนนะครับพี่ที่ทำงานในสายอาชีพเดียวกันเล่าให้ฟังเพราะเป็นคนที่เจอเข้ากับตัวเองและสาเหตุที่เจอก็เป็นไปตามที่ผมจะเล่าครับเพียงแต่ว่าผมนาเขาโครงจากเรื่องจริงและสถานที่จริงมาเขียนเพิ่มเติมในลักษณะของเรื่องสั้นครับ เพิ่มเติมตัวละครเข้าไปเพื่อช่วยอธิบายเหตุการณ์ให้ชัดเจนขึ้นการดำเนินเรื่องอาจจะไม่กระชับฉับไวทันใจวัยรุ่นแต่เพระออยากให้ผู้อ่านค่อยๆเห็นภาพบรรยากาศในสถานที่นั้นชัดเจนขึ้นครับผิดพลาดประการใดติชมได้นะครับเชิญหาความสำราญจากเรื่องเล่าไม่ควรเล่าห้องพิเศษได้เลยครับผมน้องพยาบาลคะน้องน้อง ผู้หญิงวัยกลางคนร้องเรียกเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ที่หน้า nurse station ท่าทางของเธอที่ก้มตัวลงมาที่ช่องกระจกหน้าเคาน์เตอร์เพื่อคุยกับนังพยาบาล น, นั้นดูเป็นกังวลใจไม่น้อยมีอะไรหรือเปล่าคะพยาบาลสาวที่กําลังก้มหน้าก้มตาจด nurse note อยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ถามกลับไปโดยไม่ได้เงยหน้ามองต้นเสียงพี่ขอย้ายพ่อของพี่ออกวันนี้เลยนะคะน้ําเสียงที่พูดแสดงถึงความร้อนใจไม่น้อยผิดกับอากาศยามเช้าที่เย็นสบายสดชื่นพยาบาลสาวเงยหน้ามองอ๋อ เคสของคุณลุงพ่อของพี่นี่เองคุณหมอ ย, ยังไม่ให้ออกนะคะเพิ่งนอนได้คืนเดียวเองต้องรอดูอาการอีกสองวันก่อนอยู่ไม่ได้แล้วน้องช่วยจัด ก, การให้พี่หน่อยแล้วกันพี่ติดต่อโรงพยาบาลที่จังหวัดไว้แล้วถ้าที่นี่ทําเรื่องส่งตัวเรียบร้อยเขาก็จะมารับเลยยังไงพี่ก็จะย้ายผู้ขอร้องยังยืนยันเจตนารมณ์เดิมเดี๋ยวหนูขอดูข้อมูลก่อนนะคะเออว่าแต่พ่อของพี่อยู่เตียงไหนนะคะพยาบาลถามข้อมูลเพื่อความรวดเร็ว หญิงวัยกลางคนหันไปมองที่หน้าห้องนั้นซึ่งอยู่ท้ายสุดของอาคารผู้ป่วยชายพร้อมกับตอบอย่างไม่เต็มเสียงนักพิเศษสีพยาบาลสาวหันกลับไปมองหน้าด้วยท่าทีตกใจอีกแล้วเหรอเธอพูดเหมือนบ่นกับตัวเองสิ้นเสียงของผู้พูดเสียงโทรศัพท์ประจําหวอร์ชายก็ดังขึ้นสวัสดีข้าวอร์ชายค่ะพยาบาลหัวหน้าวอร์เป็นคนรับโทรศัพท์ขณะที่หันหน้ามาที่คู่สนทนาที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้ยินบทสนทนาของทั้งคู่ตลอด พี่วันเหรอมีห้องพิเศษว่างสักห้องหรือเปล่าครับเจิงชายหนุ่มจากปลายสายสอบถามมามาปุ๊บเลยคะว่าชายก็เต็มทุกห้องเหมือนกันคะ่ะมีอะไรหรือเปล่าครหมอวิทยากรที่จะมาตรวจ5สอของโรงพยาบาลเราวันนี้นะสิครับประสานงานมาว่าจะให้พักที่ไหนตอนแรกผมใช้พักที่บ้านพักเจ้าหน้าที่แต่ทีมงานวิทยากรเ้ายืนยันมาว่าถ้ามีห้องพิเศษว่างก็ขอพักห้องพิเศษดีกว่าเลยโทรมาถามว่าของพี่มีว่างไหมทันทแพทย์หนุ่มจากปลายสายให้รายละเอียดแต่มันจะดีหรือครหมอ เธอตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยเต็มใจนักอําเภอเราไม่มีโรงแรมจะไปพักที่ตัวจังหวัดก็ไกลมากถ้ามีห้องว่างให้เขาก็จะพักเขายืนยันมาอย่างนี้ทันตแพทย์หนุ่มหัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานห้สยืนยันความต้องการของผู้มาเยือนหัวหน้าวอดชายมองหน้าหญิงวัยกลางคนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์เหมือนจะช่างใจอะไรบางอย่างและพูดว่างั้นก็พอจะมีว่างอยู่หนึ่งห้องค่ะเธอให้คําตอบกับปลายสายห้องไหนครับหมอถามพิเศษสี เวลาเกือบเที่ยงรถกระบะวีโก่สประตูซึ่งทั้งสองข้างของตัวรถติดสติกเกอร์โลโก้ของโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างชัดเจนก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลพร้อมกับ2วิทยากรที่ถูกรับมาจากบขอสอในตัวจังหวัดโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงประจําอําเภอเล็กๆในจังหวัดประจวบคีรีขันดูจากขนาดของโรงพยาบาลแล้วถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กอันที่จริงเราใช้เวลาในการตรวจมาตรฐาน5สวันเดียวก็เสร็จ แต่ที่นี่สำนัก ง, งานสาธารณสุขอำเภอและสถานีอนามัยประจำตำบลเข้าโครงการด้วยเราจึงต้องตรวจให้ครบทุกที่ก็น่าจะใช้เวลาไม่เกินสองวันซึ่งแน่นอนเราต้องค้างที่นี่หนึ่งคืนในครั้งนี้ผมได้รับมอบหมายจากพอ อ, อของบริษัทให้มาตรวจพร้อมกับพี่ฝนวิทยากรในทีมเราเพิ่งเดินทางมาตรวจที่นี่เป็นครั้งแรก พาหนะที่รับเรามาจากในเมืองค่อยๆเคลื่อนไปจอดอย่างนุ่มนวลที่หน้าห้องฉุกเฉินของตึกอํานวยการซึ่งมองเห็นรถเข็นและเตียงสําหรับเข็นคนไข้จอดอยู่ข้างๆสําสหรับพร้อมใช้งานทันทีที่ก้าวลงจากรถผมก็ได้ยินเสียงทักทายดังมาแต่ไกลสวัสดีครับคุณวิกร์กับคุณน้ําฝนใช่ไหมครับสวัสดีครับใช่ครับผมรีบยกมือไหว้ทักทายดูจากการแต่งตัวและฟังจากน้ําเสียงแล้วผมก็แน่ใจว่าคนที่ผมพบคือคุณหมอป๊อป ทันตแพทย์หนุ่มประจําโรงพยาบาลซึ่งนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องทันตกรรมแล้วก็ยังควบตำแหน่งประธาน5ส้สและผู้ประสานงานโครงการด้วยดูจักอายุอานามแล้วไม่น่าจะเกิน30โรงพยาบาลเล็กๆในต่างจังหวัดก็อย่างนี้แหละครับมีแต่หมอจบใหม่ไฟแรงหมอมากประสบการณ์ส่วนใหญ่ก็จะย้ายเข้าไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆในเมืองกันหมดผมเคยเจอแม้กระทั่งผู้อเมริการโรงพยาบาลที่อายุยังไม่ถึง30ปีด้วยซ้ําระหว่างที่เรายืนคุยกันอยู่นั้น ผมสังเกตอาการพี่ฝนที่จับตาอยู่ที่คุณหมอหนุ่มแห่งโรงพยาบาลชนบทอย่างไม่ละสายตาแน่นอนเธอคนนี้เห็นหมอละล่อๆหน่อยไม่ได้จ้องจะกินตลอดผมเห็นแล้วยังแอบยิ้มและขำอยู่ในใจเพราะรู้เส้นกันดีหลังจากพูดคุยกันไม่นานคุณหมอก็ชวนพวกเราไปทานข้าวผมก็มองดูนาฬิกาที่ข้อมือเห็นยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยจึงเอ่ยปากชวนคุณหมอให้พาดูรอบๆโรงพยาบาลอย่างคร่าวๆหมอป๊บครับ ก่อนทานข้าหมอพาพวกเราเดินดูรอบๆโรงพยาบาลก่อนได้หรือเปล่าครับนี่ยังไม่เที่ยงเลยไม่หิวข้าวกันเลยครับเดินทางไม่เหนื่อยหมอฟันถามมาด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงเพื่อ ย, ยืนยันอีกครั้งไม่ต้องห่วงครับสบายๆพี่ฝนเขาลดความอ้วนด้วยเดี๋ยวจะหาแฟนไม่ได้ผมพูดพร้อมกับหันไปทางพี่ฝนและพยักหน้าทุกคนหัวเราะออกมาบรรยากาศในการพบกันครั้งแรกผ่อนคลายมากขึ้นโดยที่ผมยังไม่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างรอผมอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ พวกเราเดินดูบริเวณโดยรอบแต่ก็ไม่ได้ออกไปจากนอกตึกนั้นเพียงแค่คุณหมอหนุ่มชี้แนะนําตำแหน่งเท่านั้นด้านหลังสุดของโรงพยาบาลเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นบ้านปูนเครื่องไม้เห็นเตาเผาขยะและโรงไฟฟ้าอยู่ไกลออกไปลิบๆซึ่งถูกบังสายตาไว้ด้วยต้นไม้ที่ถูกปลูกขึ้นอย่างไม่เป็นระเบียบนักถัดเข้ามาหน่อยเป็นบ่อบําบันบาดน้ําเสียซึ่งอยู่ติด ก, กับห้องซ่อมบํารุงใกล้เข้ามาอีกเป็นโรงครัวซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับหน่วยจ่ายกลาง โดยมีถนนคอนกรีตที่ไปสุดสายบริเวณบ้านพักทำหน้าที่กั้นทั้งสองบริเวณให้แยกออกจากกันอย่างเป็นสัด ส, ส่วนด้านหลังหน่วยจ่ายกลางที่อยู่ทางด้านขวาคือห้องครังและห้องเก็บของของหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลถัดมาเป็นหวาดชายและหวาดหญิงตามลําดับซึ่งมีทางเชื่อมเดินติดต่อกับตึกอํานวยการแน่นอนเรายืนอยู่หลังห้องจ่ายยาใกล้กับบันไดาทางขึ้นชั้นสองของตัวตึกระหว่างที่หมอป๊อบยืนอธิบายรายละเอียดของพื้นที่อยู่นั้น ในหัวผมเริ่มวางแผนการตรวจไว้แล้วว่าจะลงพื้นที่ไหนก่อนหลังจากยืนคุยกันอยู่ตรงนั้นสักครู่หัวหน้าฝ่ายบริหารก็มาเชิญไปทานข้าวเพราะกลัวว่าอาหารจะเย็นสมดห้องประชุมชั้นสองซึ่งอยู่ติด ก, กับห้องบริหารในวันนี้เปลี่ยนหน้าที่เป็นห้องอาหารชั่วคราวสำหรับทีมงาน5สสมาชิกที่ร่วมวงทานอาหารเที่ยงในครั้งนี้มีตัวผมพี่ฝนวิทยากรที่มาด้วยกัน หมอปัหัวหน้าห้องธันตกรรมพี่กี้หัวหน้าฝ่ายบริหารพี่สจีพยาบาลวิชาชีพ7หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลพี่วันหัวหน้าวอร์ชายและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอีกสองสามคนส่วนผู้อํำนวยการติดประชุมที่จังหวัดจึงไม่ได้อยู่ด้วยเรื่องราวส่วนใหญ่ในการสนทนาระหว่างทานข้าวก็จะวนเวียนอยู่กับงานที่กําลังจะได้รับการตรวจประเมินครั้งแรกในบ่ายวันนี้ผมสอบถามถึงความคืบหน้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอบรมผ่านมาแล้วประมาณ1เดือน ซึ่งหลายคนก็ไม่ได้ให้ข้อมูลมากนะักนอกจากบอกให้รอดูตอนตรวจทีเดียวเลยในช่วงที่จานข้าวถูกแทนที่ด้วยจานผลไม้เราคุยกันถึงเรื่องบรรยากาศในการทํห้าสอของที่ต่างๆที่ผมและทีมงานได้ไปตรวจและพี่กี้หัวหน้าฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลชนบทแห่งนี้ก็ถามขึ้นว่าแล้วคืนนี้พักที่ไหนกันครับอ๋อผมขอเป็นห้องพิเศษของโรงพยาบาลครับเห็นหมอป๊อปบบอกว่าว่างพอดีผมหันไปตอบเจ้าของคําถามที่นั่งอยู่ข้างๆห้องไหนคะ เสียงของเจ้าหน้าที่สาวซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นลูกน้องของหัวหน้าฝ่ายบริหารถามมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นอันน่าจะเป็นบุคลิกประจำตัวยังไม่ทันที่ผมจะตอบอะไรเธอก็เอ่ยต่อมาว่าอย่าบอกนะว่าห้องพิเศษสีทุกคนบนโตอาหารมองมาที่เธอเป็นตาเดียวเหมือนจะตำหนิยกเว้นผมกับพี่ฝนแต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาบรรยากาศบนโตอาหารเปลี่ยนไปทันทีหลังจากทานอาหารเสร็จ ผมพี่ฝนและคณะกรรมการ5สประจำโรงพยาบาลอันประกอบด้วยหมอป๊อบหัวหน้ากี้และพี่สจีนั่งคุยเรื่องแผนการตรวจสักพักเพื่อให้อาหารย่อยไปด้วยหลายคนกลับไปทำงานและเตรียมพื้นที่รับผิดชอบของตนเองเพื่อรอรับการตรวจประเมินพี่ฝนจะตรวจจากด้านในตึกไล่ออกไปข้างนอกโดยมีหมอป๊อไปด้วยซึ่งดูจากอาการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้ววันนี้คงเป็นการทางานที่มีความสุขมากของพี่ฝนเลยทีเดียว ส่วนผมจะตรวจจากบริเวณรอบๆตึกอำนวยการและไล่เข้ามาเรื่อยๆโดยมีหัวหน้ากี้และพี่สจีหัวหน้าพยาบาลทั้งหมดของที่นี่ไปด้วยเนื่องจากมีพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่มาก 13.15 นาฬิกานาทีเราเริ่มตรวจผมตรวจมาเรื่อยๆตั้งแต่เตาเผาขยะโรงไฟฟ้าบ้านพักบ่อบำบัดน้ำเสียซ่อมบำรุงโรงครัวจ่ายกลางคลังพัสดุและห้องเก็บของของฝ่ายต่างๆแม้แสงแดดจะไม่แรงมากนะัก แต่การเดินเข้าเดินออกอยู่กลางแจ้งในช่วงบ่ายเช่นนี้มันก็ทำให้เหงื่อชุ่มไปทั้งตัวได้เหมือนกันถึงหนาฬกานาทีพี่ฝนจะตรวจถึงไหนแล้วไม่รู้แต่ตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปตรวจที่อาคารผู้ป่วยชายหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าวอดชายนั่นเองวอดชายจะมีทางเดินเชื่อมต่อไปยังวอดหญิงและตึกอำนวยการตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชั้นเดียวพื้นยกสูงจากพื้นดินประมาณ1เมตรครึ่งเห็นจะได้ พื้นที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยทางเดินตรงกลางตั้งแต่ประตูหน้าถึงประตูท้ายมองเห็นตลอดด้านสายมือห้องแรกเป็นห้องเก็บของซึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นห้องทำงานของพี่วันหัวหน้าวอร์ดถัดไปเป็นห้องเตียงรวมซึ่งมีส่วนพื้นที่การทำงานของพยาบาลอยู่ตรงกลางประมาณการดูแล้วน่าจะมีคนไข้ยอยู่ไม่ถึงยสบคนซึ่งบรรยากาศไม่น่าดูนักเพราะมีแต่คนเจ็บป่วยบางคนมีสายน้ำเกลือห้อยระยงระยางติดอยู่ที่ตัว บางคนก็มีผ้าพันแผลพันติดอยู่ตามจุดต่างๆของร่างกายบางคนก็ผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเลยออกไปเป็นห้องน้ํารวมและสุดท้ายเป็นห้องเก็บของติด ก, กับบันไดลงด้านหลังตึกด้านขวามือเป็นห้องพิเศษทั้งหมด4ห้องเรียงตามลําดับจาก1นึ่งถึงส่โดยระหว่างห้องสองกับห้องสามจะเป็นระเบียงกว้างอยู่ตรงหน้าเนสต์สเ ต, เตชันพอดีซึ่งมีญาติคนไข้นั่งนั่งนอนๆอนอยู่ตรงระเบียง 3-4 ี่คนส่วนห้องสี่อยู่ท้ายสุด รงข้ามกับห้องเก็บของซึ่งไม่มีใครอยู่ดูจากสภาพตึกแล้วยังใหม่อยู่มากน่าจะสร้างมาได้ไม่เกินหนึ่งปีซึ่งก็เป็นจริงดังคาดหัวหน้ากี่ให้ข้อมูลมาว่าเพิ่งสร้างได้หกเดือนเพราะแต่ก่อนมีวอดเดียวแยกฝั่งชายหญิงรับคนไข้ไม่พอพอดีได้งบมาเมื่อต้นปีที่แล้วก็เลยสร้างในอำเภอ ม, มาเปิดให้เมื่อไม่นานมานี้เองครับหัวหน้าฝ่ายบริหารบอกต่อเนื่องจากเพิ่งเข้ามาในที่ร่มอากาศเริ่มเย็นขึ้น และผมก็ทราบจากการบอกของพี่สจีว่าพี่ฝนตรวจมาถึงบวดหญิงแล้วซึ่งเป็นจุดสุดท้ายผมจึงไม่ได้รีบเร่งอะไรค่อยๆตรวจอย่างละเอียดไปเรื่อยๆถือว่าเป็นการพักเหนื่อยด้วยอีกอย่างหนึง่งผมตรวจฝั่งซ้ายเรียบร้อยเหลือแต่พื้นที่ของห้องพิเศษซึ่งตามปกติถ้าห้องไหนมีคนไข้ยอยู่ผมจะไม่เข้าตรวจเพราะจะเป็นการรบกวนคนไข้ผมเดินผ่านตั้งแต่ห้องหนึ่งถึงห้องสี่โดยไม่ได้เข้าไปตรวจเนื่องจากมีคนไข้ยอยู่ทุกห้อง และเดินเลยไปดูความเรียบร้อยบริเวณบันไดหลังวอดเสร็จแล้วผมจึงบอกกับพี่วันเจ้าของสถานที่และคนอื่นๆว่าเดี๋ยวเราไปสรุปผลการตรวจในห้องทํางานดีกว่ายังไม่ทันที่ผมจะเดินออกมาจากจุดนั้นพี่วันก็ทักขึ้นมาว่าคุณวิการไม่ตรวจห้องพิเศษสีหรอคะอ๋อถ้าห้องไหนมีคนไข้พักอยู่ผมไม่ตรวจหรอกครับไม่อยากรบกวนเขาผมตอบยิ้มยิ้มเมื่อกี้ยังเห็นผู้หญิงเดินอยู่ในห้องอยู่เลยสงสัยจะเป็นญาติคนไข้ผมยังพูดต่อฮ่า คนไข่ห้องนี้ย้ายออกไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วจะมีใครอยู่ได้ไงคะหัวหน้าว่าชายแย้งมาพร้อมกันนั้นหัวหน้ากี้ที่ติดตามการตรวจมาโดยตลอดก็บิดลูกบิดประตูเปิดห้องเข้าไปทันทีในนั้นไม่มีใครอยู่จริงๆผมรีบก้าวเข้าไปในห้องทันทีบรรยากาศภายในห้องทำให้ผมรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้องนี้มาหลายชั่วโมงแล้วไม่มีใครพูดอะไรอีก ความเงียบเข้ามาครอบงำบรรยากาศทั้งหมดพี่วันเจ้าของพื้นที่และพี่สจีซึ่งเป็นหัวหน้ามองหน้ากันอย่างงงงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก้าวออกมาจากห้องทันทีก็มองเห็นคนงานของโรงพยาบาลเดินถืออุปกรณ์ทำความสะอาดอยู่ที่หน้า nurse station คงจะเป็นคนงานที่เข้ามาทำความสะอาดมั้งครับผมเอ่ยขึ้นเหมือนกับจะหาคาตอบให้ตัวเองว่าแต่ห้องนี้หรือเปล่าครับที่เตรียมไว้ให้พักผมถามต่อเพื่อเปลี่ยนประเด็นใช่ค่ะ พี่วันผู้ดูแลสถานที่ตอบมาทันทีโดยที่ไม่ได้สบตาผมเหมือนจะปิดบางอะไรบางอย่างไว้คุณวิกกรจะตรวจห้องนี้เลยหรือเปล่าคะพี่วันถามต่ออ๋อไม่ต้องตรวจหรอกครับมีเวลาตรวจอีกทั้งคืนเดี๋ยวจะตรวจให้ละเอียดกว่าห้องอื่นเลย <c oughs> เดี๋ยวจะตรวจให้ละเอียดกว่าห้องอื่นเลยผมตอบออกไปแบบยิ้มๆเพื่อให้บรรยากาศดีขึ้นโดยทุกคนก็รู้ว่าผมไม่ได้จริงจังกับการที่จะตรวจห้องนี้นะักเพราะห้องพิเศษก็เหมือนห้องพักปกติทั่วๆไป ไม่ได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพิเศษนักเต็มที่ก็ดูแค่ความสะอาดเท่านั้นเราใช้เวลาในการสรุปผลการตรวจและการแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยทั้งส่วนที่ผมตรวจและส่วนของพี่ฝนตรวจไม่นานนักเวลาก็ล่วงเลยมาเกือบ5้าโมงเย็นแล้วแต่ยังมีคำถามจากฝ่ายต่างๆสอบถามมาเรื่อยๆหมอป๊อบจึงตัดบทขึ้นมาว่าเอาเป็นว่าส่วนที่เหลือเราไปคุยกันที่ร้านอาหารดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาด้วย ทุกคนเห็นด้วยผมกับพี่ฝนไปเอากระเป๋าสัมภาระที่ฝากไว้ที่ห้องฝ่ายบริหารไปเก็บที่ห้องพักซึ่งพี่ฝนพักห้องพิเศษเช่นเดียวกันแต่เป็นที่วอร์ดหญิงส่วนของผมเป็นห้องพิเศษสีที่วอร์ดชายตามประษาของผู้ชายไม่เรื่องมากผมเอากระเป๋าไปวางในห้องพักและออกมาทันทีโดยยังไม่ได้อาบน้ําเพราะคิดว่าเดี๋ยวใช้เวลาในการกินข้าวไม่นานแล้วค่อยกลับมาอาบน้ําทีเดียวกว่าคนจะพร้อมและเดินทางถึงร้านอาหารก็เกือบหกโเย็นแล้ว ร้านอาหารที่เราไปทานกันนั้นไม่ได้ใหญ่โตหรูหราอะไรนะักตามอัตภาพของสถานที่เนื่องจากเป็นอำเภอเล็กๆในชนบทคนที่ไปร่วมวงทานอาหารเย็นด้วยก็เป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มเดิมเมื่อตอนกลางวันนี้มีเพิ่มเติมมาบ้างก็คือผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและหัวหน้าสถานีอนามัยอีกสองสาคนเท่านั้นบรรยากาศในการสนทนายังเป็นเรื่องของงานห้าสเช่นเดิมในช่วงหนึ่งของการสนทนานั้นหัวหน้ากี้ที่ดูแลเรื่องการเงินของโรงพยาบาลถามขึ้นมาว่า คุณวิกกรเดินทางไปทํางานทั่วประเทศเคยเจออะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าครับแปลกๆนี่คนหรืออะไรครับผมแกล้งถามกลับไปทั้งที่รู้ความหมายของหัวหน้ากี้เป็นอย่างดีที่ไม่ใช่คนนะครับหัวหน้ากี้ถามมามันอยากรู้จริงๆทําให้ทุกคนบนโตอาหารอยากฟังเรื่องแบบนี้ด้วยตัวผมเองไม่เคยเจอหรอกครับทั้งที่ไปมาหมดทุกที่นะครับทั้งพักที่โรงแรมใหญ่โรงแรมเล็กถ้าไม่มีจริงๆบ้านด้วยก็เคยนอนครับนอนกับคุณฝนเนี่ยนะครับ หมอปอบถามแบบเล่นๆผมไม่คิดสร้างขนาดนั้นหรอกครับหมอทุกคนในโต๊ะหัวเราะออกมายกเว้นพี่ฝนที่ทำเป็นมองค้อนตาปลาหลักปลาเหลือบผมเอ่ยต่อทั้งบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยห้องพิเศษผมก็พักมาหมดไม่เคยเจออะไรเลยครับมีแต่คนอื่นเขาเล่าให้ฟังมาบ้างผมไม่ได้กลัวนะแต่ก็ไม่ได้ลบลูเราคิดว่าเรามาดีมาช่วยพัฒนาสถานที่นั้นให้มันดีขึ้นแค่นี้ก็นอนอย่างสบายใจแล้วครับแล้วคืนนี้คุณวิกรกับคุณฝนไม่พักที่บ้านพักจริงๆนะครับ มอป๊อบเอ่อยถามขึ้นมาอีกพร้อมกับมามาที่ผมและพี่ฝนเหมือนจะรอยืนยันคําตอบไม่หรอกค่ะกลัวจะรบกวนเปล่าๆพักห้องพิเศษดีแล้วค่ะไม่ต้องห่วงคราวนี้พี่ฝนเป็นคนตอบพร้อมกับจิ้มทอดมันชิ้นสุดท้ายที่อยู่ในจานที่จริงแล้วห้องพิเศษของโรงพยาบาลนั้นก็เหมือนกับโรงแรมดีๆนี่เองมีทั้งทีวีแอร์ตู้เย็นตู้เสื้อผ้าโซฟาบางที่มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยซ้ําเป็นส่วนตัวสบายถ้าไม่มีโรงแรมให้พักจริงๆ ห้องพิเศษก็ถือว่าใช้ได้สำหรับเราเลยทีเดียวเพราะคนอย่างผมไม่เรื่องมากเรื่องที่กินที่นอนอยู่แล้วเรียกว่ากินง่ายอยู่ง่ายหลังจากนั้นเราพูดคุยกันอีกไม่นานพร้อมกับนัดแนะเวลาการตรวจสถานีอนามัยในวันพรุ่งนี้ว่าหน้ากี้ก็เรียกเช็คบินสองทุ่กว่าเรากลับมาถึงโรงพยาบาลทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนพี่ฝนขอไปเอาเอกสารการตรวจห้าสอที่ห้องแล้วจะกลับมาที่ห้องผมอีกครั้ง สรุปผลการตรวจสําหรับส่งพอ อ, อในขณะที่ผมเดินแยกออกมาเพื่อเข้าห้องพักผมเปิดประตูก่อนที่จะก้าวเข้าไปในห้องเอื้อมมือไปเปิดสวิตช์ไฟที่ติดอยู่ที่ผนังห้องด้านขวานีออนกลางห้องกระพริบต่องสามครั้งและสว่างขึ้นมันช่วยทําให้ผมเห็นภาพตรงหน้าได้อย่างชัดเจนภายในห้องพักเมื่อเปิดประตูเข้าไปเตียงนอนจะอยู่ด้านขวามือติดผนังโดยหันปลายเตียงไปทางห้องน้ําซึ่งมาเป็นเตียงของคนไข้แต่สําหรับคืนนี้ ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนผู้เปลี่ยนใหม่เป็นลายดอกไม้สีฟ้าสวยงามเพื่อไว้คอยบริการแขกที่ไม่ใช่คนไข้ด้านซ้ายของห้องมีเมโยสำหรับวางอาหารคนไข้วางอยู่ใกล้กับโซฟาสีน้ำเงินเข้มด้านบนมีทีวีสี24นิ้วแขวนติด ก, กับเพดานเพื่อประหยัดพื้นที่หน้าห้องน้ำที่ติด ก, กับประตูระเบียงหลังห้องมีตู้เสื้อผ้าวางไว้ชิดกับกำแพงติด ก, กันคือหน้าต่างกระจกบานเกรดและประตูไม้สำหรับออกไปที่ระเบียงหลังห้อง ดูจากสภาพโดยรวมแล้วก็เหมือนห้องพิเศษทั่วๆไปพี่ฝนกลับมาที่ห้องของผมตามที่นัดกันไว้พร้อมถุงขนมที่ถือติดมือมาด้วยซึ่งขนมส่วนหนึ่งถูกเคี้ยวอยู่ในปากของเธอไม่แปลกใจเลยที่หญิงวัยสามกว่าสูงกสิบจะมีน้ำหนักมากกว่า80กิโลผมนั่งสรุปงานอยู่กับพี่ฝนโดยใช้เมโยเป็นที่รองเขียนทีวีถูกเปิดไว้เป็นเพื่อนโดยเราไม่ได้สนใจในเนื้อหาที่ถูกถ่ายทอดออกมานัก เพราะพี่ฝนมัวพูดถึงแต่หมอป๊อปตอนนั้นยังไม่สามทุ่มพรังสายตาของผมก็เหลือผ่านหน้าต่างบานเกรดไปเห็นเงาของอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ที่ระเบียงหลังห้องเหมือนมีคนเดินอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อจ้องมองดีๆก็ไม่เห็นอะไรเป็นอย่างนี้อยู่ถึงสามครั้งจนพี่ฝนต้องถามว่าแกมองอะไรอะ่ะเปล่าผมไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีเพราะพี่ฝนก็เป็นคนที่กลัวอยู่ไม่น้อยเรานั่งสรุปผลการตรวจจนเกือบจะเสร็จ ผมกับพี่ฝนก็ต้องสะดุ้งจนสุดตัวครกครุกครุกเสียงเหมือนมีอะไรหล่นลงที่คอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่ตรงระเบียงหลังห้องหรือมีตัวอะไรกระโดดขึ้นไปบนนั้นแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงตัวมันคงใหญ่มากถึงทำให้เกิดเสียงดังขนาดนั้นได้เราสองคนหันไปที่ต้นเสียงทันทีโดยที่ยังไม่มีใครพูดอะไรออกมาผมตัดสินใจลุกขึ้นไปเปิดประตูหลังห้องดูทันทีอะไรพี่ฝนถามไปด้วยน้าเสียงที่ยังเจือไปด้วยความตกใจ ไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ผมตอบไปด้วยน้ำเสียงที่ไม่ตางกันเอาแล้วยังไม่ทันจะสี่ทุ่มเลยเล่นกันซะแล้วพี่ฝนบ่นออกมาตามประษาคนที่พูดอะไรโดยที่ไม่ได้คิดและโดยที่ไม่เห็นใจคนที่จะต้องอยู่ในห้องนี้ทั้งคืนละครช่องสามยังไม่ทันจบพี่ฝนก็กลับห้องพักโดยเหลือผมซึ่งเป็นแขกที่มาเยือนอยู่ตามลําพังด้านนอกห้องยังเห็นแสงไฟที่เปิดทิ้งไว้ที่ทางเดินสาดส่องมาที่หน้าต่างห้องบ้างแต่ก็เพียงสลัวรางเท่านั้น เพราะไฟดวงตรงหน้าห้องผมนั้นไม่ติดผมยังคงได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่พยาบาลคุยกับญาติคงไข้แววมาเป็นระยะระยะแม้จะเป็นเวลาสีทุ่มแล้วก็ตามเหลืองานอีกนิดหน่อยแต่อากาศมันร้อนอับๆอย่างไรชอบกนถึงแม้จะปรับแอร์อยู่ที่23องศาแล้วจนทนกับความไม่สบายตัวไม่ไหวผมจึงลุกไปอาบน้ขนาขณะที่ผมอาบน้าอยู่นั่นเองสักพักผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนเปิดประตูเข้ามาในห้อง ผมปิดน้ำจากฝักบัวทันทีเพื่อให้ได้ยินเสียงภายนอกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากเสียงของทีวีที่เปิดทิ้งไว้แล้วผมไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยมีเพียงเสียงน้ำที่ไหลลงท่อระบายน้ำด้านล่างเท่านั้นที่ดังแทรกเข้ามาพี่ฝนพี่ฝนหรือเปล่าผมพูดถามออกไปเงียบลืมอะไรหรือเปล่าพี่เงียบผมเปิดประตูห้องน้าชะโงกหน้าออกมาดู ทั้งที่ฟองแชมพูสระผมยังขาวอยู่เต็มหัวด้วยกลัวว่าจะเป็นคนอื่นหรือญาติคนไข้เข้ามาด้วยเจตนาไม่ดีต่อทรัพย์สินแต่ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเราล็อกประตูห้องเรียบร้อยแล้วนี่นาเงียบไม่มีสิ่งใดผิดปกติผ้าเช็ดตัวที่ราวแขวนในห้องถูกกระชากมันนุ่งไว้ที่เอวทันทีผมรีบเดินมาที่ประตูห้องพร้อมกับน้ําที่หยดมาตามทางที่เดินเนื่องจากยังอาบน้ําไม่เสร็จปรากฏว่าประตูยังปิดสนิทและลูกบิดยังล็อกอยู่เหมือนเดิม ผมแสบตาเพราะจมพูรเริ่มไหลลงมาเข้าตาผมซะแล้วจึงรีบเดินกลับไปเพื่อจะอาบน้ําต่อแต่ประตูหลังห้องเปิดกว้างอยู่ทันที่ผมปิดเรียบร้อยแล้วก่อนจะเข้าห้องน้ําผมรีบปิดประตูลงกรอนและสํารวจทรัพย์สินของผมที่อยู่ในห้องเดี๋ยวนั้นทุกอย่างยังอยู่ครบหรือว่าจะมีคนเข้ามาในห้องนี้แล้วหนีออกไปทางระเบียงก่อนที่ผมจะออกมาจากห้องน้ําหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในห้องนี้แล้วยังไม่ได้ออกไปไหน ผมเริ่มใจคอไม่ดีเสีแล้วผมกลับเข้าไปอาบน้ําต่อจนเสร็จด้วยความรวดเร็วแล้วออกมาแต่งตัวเพื่อเตรียมพักผ่อนแต่ยังเห็นงานเหลืออยู่อีกนิดหน่อยและดูเวลาแล้วยังไม่ดึกมากนะักจึงนั่งทํางานต่อโดยลากก่าอี้พลาสติกที่มีอยู่ในห้องมานั่งและใช้เมโยรองเขียนเหมือนเดิมหันหน้าไปทางทีวีที่ส่งเสียงเจ้เจ้าและหันหลังให้เตียงคนไข้พร้อมกับเปลี่ยนช่องทีวีไปฟังข่าวภาคเด็กเป็นเพื่อนแต่ในใจยังรู้สึกไม่ค่อยปลอดโปร่งนัก กับเรื่องแปลกๆที่พบเจอตลอดทั้งวันนี้ตั้งแต่ตอนตรวจงานตอนที่อยู่กับพี่ฝนและสดๆร้อนๆกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ผมต้องยอมรับตามตรงว่าตั้งแต่เดินทางตรวจงานมาทั่วประเทศเหนือสุดที่แม่สายยันใต้สุดที่เจาะไอร้องยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนมันทําให้ผมรู้สึกกลัวขึ้นมาซะแล้วพระที่แกะจากไม้พยังนิ้วดําที่คล้องคอผมตลอดในการเดินทางทุกครั้งที่ออกต่างจังหวัด ทุกอาราธนาขึ้นมาอยู่ระหว่างสองมือที่พนมอยู่ที่หน้าอกยังไม่ทันที่จะอธิษฐานอะไรผมก็ได้ยินเสียงเหมือนโลหะเสียดสีกันดังอยู่ข้างหลังเอียดเอียดผมหยุดฟังเอียดเอียดเอียดเอียดเสียงนั้นดังขึ้นติดต่มๆและถี่ขึ้นเรื่อยๆผมหันหลังกลับไปมองที่ต้นเสียงนั้น สิ่งที่ผมเห็นทำให้ดวงตาของผมเบิกกว้างด้วยความตกใจสุดขีดอาปากค้างขนลุกตั้งไปทั้งตัวมีอาการเหมือนจะบังคับตัวเองไม่ได้มือที่กุมพระอยู่แล้วยิ่งกุมแน่นเข้าไปอีกเหมือนกับพระจะแหลกคามือก็มิปานเตียงคนไข้ทั้งเตียงที่อยู่เบื้องหน้าผมในตอนนี้สั่นไปหมดพร้อมกับเสียงที่ดังไปจังหวะเอียดเอียดเอียดระหนึ่งมีคนขย่มอยู่บนนั้นทั้งที่บนเตียงว่างเปล่าแต่สิ่งที่ทำให้ผมแทบช็อกก็คือ บนที่นอนกลางเตียงมันยุบลงไปเหมือนมีบางสิ่งกดอยู่บนนั้นโดยเห็นเป็นสี่หลุมชัดเจนสองหลุมทางปลายเตียงมองเห็นเป็นหลุมกลมๆแต่อีกสองหลุมใกล้หมอนมันเป็นรอยฝ่ามือชัดๆเสียงนั้นยังดังไม่หยุดพร้อมกับเตียงที่สั่นแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เ, เหมือนจะไม่มีจุดสิ้นสุดเฮ้ย <Hey! S 2> ผมตะโกนออกมาสุดเสียงทุกอย่างหยุดนิ่งทันทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ยังไม่ทันที่ผมจะตั้งสติอะไรได้ เสียงคนไข้มันสั่นขึ้นมาอีกครั้งเหมือนมีคนที่มีแรงมหาศาลขย่มอยู่บนนั้นและมันยิ่งแรงกว่าเดิมมากขึ้นอีกพร้อมกันก็มีเสียงหายใจหอบหนักดังเป็นจังหวะได้ยินอย่างชัดเจนทุกอย่างในสมองถูกสั่งการโดยอัตโนมัติตามสัญชาตญาณของความกลัวผมเปิดประตูวิ่งออกจากห้องทันทีผมวิ่งตรงไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลพยาบาลที่ขึ้นเวรอยู่ขนาดนั้น <c oughs> เห็นสภาพผมแล้วดูท่าทางเธอตกใจเล็กน้อยยังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกมา เธอก็เอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงปกติพี่วันกับมอป๊อบเตรียมห้องที่บ้านพักเจ้าหน้าที่ไว้ให้แล้วคะ่ะถ้าคุณวิกรอ น, นอนที่นี่ไม่ได้ก็ย้ายที่พักได้เลยคะ่ะบ้านพักที่มีไว้สําหรับเจ้าหน้าที่ในคืนนี้ต้องเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นที่พักของผมแทนแม้จะเปลี่ยนที่นอนแล้วแต่ความหวาดกลัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ได้ห่างหายไปจากความรู้สึกผมนอนไม่หลับมีอาการหนาวหนาร้อนๆอนเหมือนจะเป็นไข้กว่าจะข่มตาหลับลงได้ก็เกือบฟ้าสางวันถัดมา ผมแทบทํา ง, งานไม่ได้เพราะพักผ่อนน้อยและรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนอธิบายอะไรให้ผมฟังเหมือนทุกคนจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นหมดแล้วแต่คงไม่อยากให้ผมหวาดกลัวไปมากกว่านี้หลังตรวจงานเสร็จและทานข้าวเที่ยงซึ่งผมกินอะไรได้ไม่มากทางทีมงานของโรงพยาบาลก็จัดรถไปส่งเราที่บกอสสในตัวจังหวัดโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไปด้วยนอกจากคนขับรถเท่านั้นพี่ฝนที่นั่งอยู่ข้างหลังผมถามถึงผลการตรวจงานซึ่งผมก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะัก ระหว่างเดินทางคนขับรถของโรงพยาบาลหันมามองหน้าผมอยู่หลายครั้งเหมือนสงสัยอะไรบางอย่างพี่ไม่ต้องสงสัยหรอกผมต้องเป็นคนสงสัยมากกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ช่วยบอกอะไรผมหน่อยได้ไหมผมเริ่มบทสนทนาด้วยคำถามคนขับเปลี่ยนเกียร์เพื่อเพิ่มความเร็วพร้อมกับเริ่มพูดคุณวิกร์รมาถึงห้องพิเศษีใช่ไหมครับผมพยักหน้าขณะที่มองหน้าคนขับเพื่อรอฟังประโยคต่อไปตอนแรกก็ไม่มีอะไรหรอกครับจนเมื่อปีที่แล้ว โรงพยาบาลเขาสร้างตึกใหม่ก็วาดชายนั่นแหละครับก็เลยต้องปรับพื้นที่กันใหม่ต้องตัดต้นไม้ไปหลายต้นแล้วตรงนั้นก็มีต้นตะเคียนทองอยู่ด้วยจริงๆก็ไม่อยากตัดกันหลอกคุณแต่มันไม่มีที่จริงๆพอตัดแล้วก็ไม่มีใครทําสารให้พอเพราออแกนเปคนหัวสมัยใหม่ด้วยไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกครับแค่ทําพิธีขอเข้ามากันนิดหน่อยพอให้ผ่านๆไปเท่านั้นผมขนลุกขึ้นมาทันทีเมื่อภาพเมื่อคืนปรากฏขึ้นในมโน อ, อีกครั้ง พี่ฝนถามเหมือนอยากจะรู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ผมไม่ได้ตอบอะไรยังคงฟังคนขับเล่าต่อไปเหมือนเป็นเรื่องปกติของเขาผลไข้โดนกันประจํามเลยครับขนาดผมคนไม่กลัวนะเคยไป น, นอนพักตอนเขาเวันดึกๆยังโดนกวนจนนอนไม่หลับเหมือนมีคนเป็นสิบสิบคนมาเดินอยู่ในห้องอย่างนั้นแหละผมกลืนน้าลายลงคอที่แห้งผากถามไปด้วยเสียงที่สั่นๆแล้วไ ม, ไม่มีใครคิดจะทําอะไรบ้างเลยก็มีคุณวันหัวหน้าวอร์ดนั่นแหละครับ ที่เคยนิมนต์พระมาทำบุญแต่ก็ไม่ดีขึ้นเหี้ยนจริงๆคำสุดท้ายเหมือนจะบ่นกับตัวเองมากกว่าพรางพูดต่อแต่คราวนี้คนขับหันมามองหน้าผมแล้วต่อตะเคียนที่โดนตัดมันก็อยู่ใต้ห้องสี่ที่คุณนอนเมื่อคืนนี้แหละเ <_ S 2> <ๆ>มื่อคืนนี้แกเจออะไรวิกรพี่ฝนถามมาด้วยความอยากรู้ระคนกับท่าทางหวาดกลัวไม่รู้แต่ที่แน่ๆกาหนดการตรวจครั้งหน้าพี่ฝนมานะผมขอคิวกับพ อ, อแล้วว่าจะไปตรวจที่อื่น เฮ้ย hey, ยังไงก็ต้องมาด้วยกันฉันไม่ยอมหรอกก่อนที่จะวุ่นวายไปมากกว่านี้คนขับก็พูดแทรกขึ้นมา mm hmm. พอผมส่งคุณวิกรกับคุณฝนเสร็จ mm hmm. ผมก็ต้องรับเจ้าหน้าที่ใหม่มาอีกสามสี่คน mm hmm. เห็นหัวหน้ากี้บอกว่า mm hmm. บ้านพักยังไม่เรียบร้อยเลยตรงสายคืนนี้คนต้องใช้บริการกันอีกแล้วห้พองพิเศษสิแถวนี้ผีดุเรื่องเล่าขยำขวัญ ตรงกันข้ามเรื่องราวได้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่หอพักนักศึกษาแห่งหนึง่งกริง๊งเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเสียงโทรศัพท์มือถือได้ปลุกชายหนุ่มให้ตื่นขึ้นฮัลโหลนั่นใครอะครับชายหนุ่มรับโทรศัพท์ด้วยอาการงัวงเงียฮัลโหลไอ้คิมเอมึงอยู่ไหนวะเสียงจากปลายสายโทรศัพท์พูดขึ้น ไอโอ้เองเหรอกูอยู่ห้องมีอะไรวะโทรมาตอนตี2เนี่ยหรือมึงไปกินเหล้าแล้วเพิ่งกลับกันมาเหรอวะเฮ้ย hey, ตั้งใจฟังนะตอนนี้กูอยู่ไหนไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าเป็นซอยเปี่ยวมึงมารับกูได้ไหมโอนขอความช่วยเหลือเอาแล้วมึงไม่ได้ไปกับไอคิวเหรอแล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนอ่ะคิมถามพร้อมกับลุกขึ้นนั่งฟังนะกูกับไอคิวขับรถกลับมาจากร้านเหล้าแล้วทางที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบ้านร้างเก่าอยู่หลังนึง ไอ้คิวมันคิดอะไรของมันไม่รู้ว่าอยากจะไปดูว่าบ้านร้างหลังนั้นมันมีอะไรอยู่กูห้ามมันแล้วนะแต่มันไม่ฟังกูเลยอ้นเล่าเรื่องราวแล้วทางที่ผ่านใช่ทางรัดที่มึงเคยพากูมาส่งที่หอประจําหรือเปล่าวะคิมถามเฮ้ยฟังกูนะตอนนี้ยกูหาไอ้คิวไม่เจอมันพากูไปที่บ้านร้างแล้วมันท้ากูว่าถ้ากูไม่ไปกับมันอ่ะมันจะเอาเรื่องที่กูเคยพากระเทยมานอนด้วยไปบอกคนอื่นอ้นพูดด้วยน้ําเสียงสั่นเครือด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้น ลายในโทรศัพท์ของคิมได้เด้งแจ้งเตือนขึ้นไอ้คิมมึงนอนยังวะมึงอยู่ห้องหรือเปล่ากูขอไปนอนด้วยข้อความจากคิวเมื่อคิมเปิดอ่านได้เกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจึงรีบบอกอน้นเฮ้ยไ อ, อ้อ้นไอ้คิวไลน์มาหากูเดี๋ยวกูถามมันก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนเฮ้ย hey, แบบนั้นแปลว่ามันออกมาจากบ้านร้างแล้วหนีกูไปแล้วอดิพี่แย่แล้วว่ากูโดนทิ้งให้อยู่บ้านร้างคนเดียวคิมบอกกูทิ้งว่ากูควรทํายังไงดีอ่ะกูกลัวนะเว้ยคิม อ้นแสดงความกังวลกวายอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวๆมึงใจเย็นแล้วเล่าเรื่องเราให้หมดก่อนนะกูจะได้ช่วยมึงถูกคิมพูดให้อ้นได้สติพอมาถึงมันไม่พูดอะไรเลยอ่ะมันรีบลงจากรถแล้วก็รีบวิ่งเข้าบ้านร้างไปเลยกูพยายามวิ่งตามนะพอกูเปิดประตูมาไม่เจอมันแล้วอ่ะแล้วอยู่ดีๆประตูก็ปิดเองกูพยายามจะเปิดประตูแล้วนเว้ยแต่ประตูมันพังเปิดยังไงก็ไม่ออกแล้วมันมืดมากแล้วตอนที่กูกําลังหาโทรศัพท์มาเปิดไฟฉายกูเห็นเงาแปลกๆ เ, เ, เดินผ่านตรงห้องครัว พอกูเห็นแบบนั้นกูรีบวิ่งมาหลบหลังบันไดแล้วรีบโทรหามืองนี่แหละอ้อนเล่าเรื่องเฮ้ย <Hey, S 1> แต่เดียวนะตอนแรกมึงบอกไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่เมื่อกี้มึงบอกว่ามึงมาบ้านร้างที่มึงเคยผ่านมันยังไงกันแน่วะคิมเริ่มสงสยัยเรื่องนั้นกูก็ไม่รู้แต่ถ้ากูออกได้แล้วจะโทรหามืองอีกทีนะเมื่ออ้นพูดเสร็จก็วางสายไปคิมได้แต่นั่งงงกับเหตุการณ์ที่เขาได้พบอยู่ตอนนี้แต่เมื่อเขามองที่หน้าจอของเขาก็ได้เห็นการแจ้งเตือนไลน์ขึ้นจํานวนมากและเมื่อคิมได้เปิดอ่าน ไอ้คิมมึงอยู่ไหนตอนนี้กูอยู่ไหนไม่รู้มันหนาวเหลือเกินเจ็บเหลือเกินช่วยกูด้วยข้อความแรกที่คิมได้อ่านไอ้คิมตอนนี้กูกําลังไปหามึงลงมารับกูด้วยข้อความที่สองขณะที่คิมกําลังนั่งอ่านข้อความลายจากคิวอยู่นั้นอ้นก็โทรมาอีกครั้งคิมตอนนี้ก็ออกจากบ้านร้างได้แล้วนะตอนนี้กูอยู่ข้างนอกแต่ทําไมที่นี่มันแปลกแปลกไปวะอ้นพูดที่ว่าแปลกคืออะไรวะคิมถาม มันไม่เหมือนตอนที่กูมามันเออมันมันมันตูตู ต, ตูสายอ้นถูกตัดไปอะไรของพวกมันวะแกล้งกันหรือไงวะเนี่ยคิมเริ่มงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่คิมกําลังสับสนกับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นั้นคิวได้โทรเข้ามาฮัลโหลไอคิวเหรอวะพวกมึงจะแกล้งไปถึงไหนวะไม่ตลกนะเวย้ยคิมเริ่มไม่พอใจช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย คิวพูดประโยคซ้ำๆเอคิวกูบอกให้มึงหยุดเล่นได้แล้วมันกี่โมงแล้วเนี่ยมันเล่นอะไรไม่เข้าท่าวะชิมต่อว่ากูหนาวกูเจ็บกูหนาวกูเจ็บช่วยกูด้วยคิวพูดเอคิวถ้ามึงจะพูดอยู่แบบเนี้ยกูจะวางแล้วนะชิมเริ่มไม่พอใจตอนนี้กูอยู่ที่หน้าหอมึงลงมารับกูด้วยกูหนาวกูเจ็บลงมารับกูแล้วคิวพูด เออเร อ, อ, อแป๊บหนึ่งกูจะไปหามึงเมื่อคิมวางสายก็รีบใส่กางเกงขาสั้นวิ่งลงไปหน้าประตูหอทันทีและเมื่อคิมวิ่งไปถึงก็ไม่พบคิวเมื่อไม่เห็นใครคิมไม่รอช้ารีบคว้าโทรศัพท์โทรหาคิวทันทีเสียงริงโทนโทรศัพท์ดังขึ้นข้างนอกประตูเมื่อคิมได้ยินเสียงริงโทน ท, ที่คุ้นหูนั้นเขารู้ได้ทันทีว่านั่นคือเสียงโทรศัพท์ของคิวคิมไม่รอช้ารีบวิ่งออกไปดูทันทีและสิ่งที่คิมได้เห็นคือ โทรศัพท์เพื่อนเลือดที่วางไว้หน้าประตูในสภาพหน้าจอแตกและตอนนั้นเองเข้อความลายจากคิวก็เด้งขึ้นมากูอยู่ข้างหลังมึงกูจะพามึงไปอยู่กับกูด้วยเมื่อคิมหันหลังเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อเห็นคิวในสภาพคอหักหน้าหันไปข้างหลังระโหลเปิดเห็นเส้นสมองที่กําลังเต้นอยู่แขนบิดเกลียวเห็นกระดูกทะลุออกมาเลือดอาบร่างและตอนนั้นเองอ้นได้โทรเข้ามาอีกครั้ง ไอค้คิมกูยอยู่ที่ห้องมึงแล้วกูรอมึงอยู่อ้นพูดไอ้ไอ้อ้อออออออนไอค ม, มันเป็น อ, อ, อ, อะไรวะทําไมสภาพมันเป็นแบบแบแบแบบนี้อคิมพูดน้ําเสียงหวาดกลัวสุดขีดทันใดนั้นหัวของคิวได้หันอย่างช้าๆจากเห็นแต่เส้นผมจากด้านหลังศีรษะหน้าของคิวค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นและเมื่อคิวหันหน้าที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนั้นใบหน้าของเขาอาบไปด้วยเลือดและยิ้มให้กับคิม ในสภาพปากฉีกตาถลนออกมาจากเบ้าตาคิ้วรวบรวมสติหันหลังวิ่งไปที่ประตูหน้าหอและรีบเข้าห้องทันทีในขณะที่เขาวิ่งขึ้นบันไดอยู่นั้นริงโทนเพลงของคิวได้ดังขึ้นตลอดทางเสียงริงโทนโทรศัพท์ของคิวได้ดังไล่หลังคิมที่กำลังวิ่งหนีเมื่อคิมตั้งสติได้ก็รู้ว่าอยู่หน้าห้องของเขาแล้วคิมไม่รอช้ารีบเปิดประตูห้องทันทีโดยไม่รู้ว่าอ้นได้รออยู่ที่ห้องและเมื่อคิมเปิดประตูห้องเขาแทบสติแตกอีกครั้ง ไม่เห็นอ้นยืนอยู่กลางห้องในสภาพร่างอาบไปด้วยเลือยโดยสายตาของอ้นจับจ้องไปที่คิมกูจะพามึงไปอยู่กับกูด้วยอ้นพูดพร้อมกระโจนหาคิมคิมในสภาพควบคุมสติไม่อยู่รีบวิ่งหนีลงบันไดอีกฝั่งแต่ในขณะนั้นที่คิมกําลังหันหลังวิ่งออกจากห้องอยู่คิวก็ยืนดักเขาอยู่แล้วมึงหนีไม่รอดหรอกยังไงกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยคิวกระโจนใส่คิมทันทีและทันใดนั้น คิมได้สะดุ้งตื่นสภาพเหงื่อชุ่มทั้งตัวเขาหันซ้ายหันขวาและมองดูนาฬิกาก็เป็นเวลา7จ็นาฬกาสานาทีคิมรีบคว้าโทรศัพท์ทันทีตอนนั้นเองได้มีสายโทรเข้ามาพอดีฮัลโหลไอ้คิมมึงรู้หรือเปล่าไอ้อ้นกับไอ้คิวขับรถแหกโค้งจากหน้าบ้านร้างที่เขาว่าเฮี้ยนกันน่ะสภาพดูไม่ได้เลยวะ่ะฮัลโหลไอ้คิมได้ยินไหมไอ้คิมเสียงจากปลายสายทัในใดนั้นเองก็ได้มีเสียงริงโทนดังขึ้น AQ <IQ. S 2> เรื่องผีผีค่ายนี้ผีดุค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคกลางที่ร่ำลือกันมาว่าพบเรื่องราวแปลกๆหรือบางครั้งก็มีวิญญาณปรากฏให้เห็นมาหลอกหลอนผู้คนที่เข้ามาพักตัวผมเองไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนจนได้มาสัมผัสกับตัวเอทำให้รู้ว่า ผีมีจริงเมื่อหลายปีที่แล้วผมกับเพื่อนคนหนึ่งได้ถูกรับเลือกให้เป็นผู้ฝึกพัฒนาวิเนัยให้กับเด็กช่างกลที่ค่ายลูกเสือแห่งนี้โดยภายในค่ายได้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือค่ายบนเขาและค่ายล่างเขาซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากนะักแต่โดยรอบเป็นป่าที่ตอนกลางคืนมักจะมีลมพัดมาเบาๆทาให้รู้สึกเย็นเงียบและวังเวง กลางดึกคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสองระหว่างที่ผมกับเพื่อนซึ่งรับหน้าที่เดียวกันได้ไปตรวจตราความเรียบร้อยของค่ายบนเขาเมื่อไม่มีอะไรผิดปกติผมกับเพื่อนจึงเดินกลับมายังค่ายล่างเขาเพื่อตรวจตราระหว่างทางเดินจะผ่านโค้งที่เป็นเนินซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของสารพระภูมิอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนด้านขวาเป็นชายป่านาทึบซึ่งจะมีแสงไฟนีออนที่อยู่ด้านหน้าราว100เมตร าศาสตร์สองเข้ามาสลัวสลัวพอให้เห็นทางและสิ่งรอบๆตัวอยู่บ้างระหว่างที่กําลังเดินผ่านสารพระภูมิเงาดำทะมึนเป็นรูปร่างคนเดินต ะ, ตะคุ่มตะคุ่มตัดหน้าไปในระยะกระชั้นชิดจากชายปาด้านขวามือเข้าไปยังด้านซ้ายมือซึ่งเป็นสารพระภูมิแล้วก็หายไปกับตาผมกับเพื่อนหยุดชะงักทันทีแล้วหันมามองหน้ากันด้วยความตกตะลึงขนหัวลูกสู้มือเย็นเฉียบ ต่างคนต่างไม่พูดอะไรได้แต่นิ่งเงียบแล้วสกิดมือกันเหมือนเป็นการให้สัญญาณว่าสิ่งที่เห็นคงไม่ใช่คนแต่ผมกับเพื่อนก็ทำใจดีสู้เสือกลั้นใจเดินต่อไปเพื่อให้ถึงหอประชุมเร็วที่สุดแล้วจึงมาถามถ่ายกันเพื่อให้แน่ใจว่าเห็นเงาดำๆนั้นเหมือนกันซึ่งเพื่อนก็ยืนยันว่าเห็นเหมือนกันในลักษณะเดียวกันตอนนั้นดึกมากแล้ว และเงียบสงดไปทั่วบริเวณได้ยินแต่เสียงนกกาที่บินเกาะตามกิ่งไม้ส่งเสียงร้องเป็นระยะระยะลมเริ่มพัดมาเอื่อยๆทำให้รู้สึกเย็นจับใจบรรยากาศก็ยิ่งวังเวงไปมากกว่าเดิมจนทำให้ผมและเพื่อนไม่กล้าเดินกลับที่พักซึ่งต้องเดินผ่านสารพระภูมิเช่นเดิมจึงตัดสินใจกันว่าจะไปนอนพักกันที่บริเวณจุดชมวิวรอจนใกล้สว่างซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงจึงค่อยเดินกลับที่พัก ซึ่งจุดนี้จะมีลักษณะเป็นลานกว้างเหมาะสำหรับนอนเล่นชมบรรยากาศในยามเช้าและบริเวณนี้มีต้นงิ้วขนาดสูงใหญ่สองต้นกิ่งงิ้วระยงระยางไปทั่วคาดว่าน่าจะมีอายุหลายสิบปีแสงไฟนีออนที่อยู่ไม่ห่างมากพอจะสาดส่องเข้ามาให้เห็นทุกอย่างได้ผมกับเพื่อนจึงนั่งอยู่ใต้ต้นงิ้วแล้วก็พูดคุยกันถึงเงาดานั้นอยู่เพราะยังรู้สึกสงสัย การสนทนาเริ่มขึ้นได้ไม่นานนักใบไม้จำนวนหนึ่งก็ร่วงหล่นจากต้นงิ้วตกลงมาใส่ผมกับเพื่อนพอดีรากับจงใจจะส่งสัญญาณบางอย่างจังหวะนั้นผมและเพื่อนจึงแหงนขึ้นไปดูพร้อมกันบนกิ่งไม้งิ้วขนาดใหญ่ผู้หญิงวัยรุ่นผิวขาวผมยาวสยายถึงเอวใส่ชุดสีขาวขาดรุ่งริ่งนั่งแกวงขาเล่นอยู่อย่างสบายใจเพียงเสี้ยววินาทีเธอก็เปลี่ยนท่า เล่นห้อยหัวลงมาแล้วเอาขาเกี่ยวกิ่งไม้ไว้ผมที่ยาวสยายระดับเอวคราวนี้มันกลับยาวลงมาลากพื้นหญ้าเฉียดหน้าผมไปแค่นิดเดียวใบหน้ากลมขาวโพลนทั้งหน้าดวงตาสองข้างเป็นสีขาวไม่มีแม้ตาดำจับจ้องมาที่ผมกับเพื่อนลิ้นสีแดงยาวเป็นศอกแลบออกมาทันทีผีสาวไกวตัวเองไปมาเส้นผมก็ลากไปกับพื้นหญ้ากระทบใบไม้ที่ร่วงหล่นดังแกร่ ผมกับเพื่อนหันมองหน้ากันแล้วนิ่งงันไม่พูดจาเพราะรู้สึกช็อกขนลุกไปทั่วตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าน้ําตาเริ่มไหลออกมาเองเพื่อนพยายามดึงผมออกไปจากตรงนั้นแต่ผมก็ยังลุกไม่ขึ้นตัวแข็งแขนขาชาไปหมดจะร้องก็ร้องไม่ออกทันใดนั้นเสียงมันลุกมาเท้าใต่าทางก็ดังพึบแล้วล่วงหล่นลงสู่พื้นดังตุ๊กผีสาวที่ห้อยหัวอยู่ร่วงลงมา กลิ้งม้วนไปมาต่อหน้าต่อตาแต่คราวนี้เสื้อผ้าสีขาวรุ่งริ่งที่เธอใส่กลับกลายเป็นผ้าห่อศพสีขาวยาวๆที่พันรอบตัวกลิ่นเหม็นเน่าซากศพคระครุงไปทั่วผมกับเพื่อนสติแตกแขนขาที่ชาขยับได้จึงไม่รีรอวิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิตตรงดิ่งเข้าไปยังห้องพักปิดประตูใส่กรอนแน่นหนาเอาอผ้าห่มคลุมโปองอยู่ด้วยกันสองคนเหงื่อไหลออกทั่วตัวร้อนๆหนาวๆใจสั่นตัวสั่นไปหมด จนกระทั่งเช้าก็รู้ว่าเป็นไข้จับสันต้องนอนพักกินยาอยู่สามวันจึงหายหลังจากจบกิจกรรมแล้วผมก็สอบถามคนแถวนี้จึงรู้ว่าเคยเป็นสุสานเก่ามาก่อนผีส่วนมากยังไม่ได้รับบุญกุศลเพราะไม่มีใครทำบุญไปให้ก็เลยไม่ไปผุดไปเกิดในภพภูมิอื่นหลายคนที่เคยมาพักที่นี่ก็เคยเจอเรื่องแปลกๆมาแล้วทั้งนั้นบางคนก็โดนผีหลอกแบบจรงๆเหมือนผมกับเพื่อน จนจับไข้ไปหลายวันส่วนเงาดำทมืนที่เจอตรงสารพระภูมิว่ากันว่าน่าจะเป็นวิญญาณของเจ้าที่เจ้าทางที่คอยดูแลบริเวณนี้อยู่เพราะหลายคนก็เคยพบเห็นมาแล้วในลักษณะเดียวกันแถวนี้ผีดุเรื่องเล่าผีเงาหัว หลายคนคงเคยได้ยินคําโบราณที่กล่าวไว้ว่าถ้าเห็นใครที่ไม่มีเงาหัวแสดงว่าคนผู้นั้นกําลังมีเคราะห์ใหญ่หรือไม่ก็อาจจะชะตาขาดการแก้ไขเพื่อให้พ้นเคราะห์ก็คือให้หาภาชนะที่ใหญ่พอที่จะครอบหัวของคนคนนั้นไปครอบหัวของเขาแล้วกล่าวว่าต่อหัวให้แล้วนะขวัญเอ้ยขวัญมาก็จะทําให้คนคนนั้นพ้นภัยได้เช่นเดียว ก, กันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ โรงเรียนระดับอำเภอรโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนที่นักเรียนหลายคนปรารถนาที่จะได้เข้าเรียนที่นี่เช่นเดียวกับผู้ปกครองหลายคนที่ปรารถนาจะให้ลูกได้เรียนที่นี่เช่นกันพระนอกจากด้านวิชาการที่ค่อนข้างจะเป็นเลิศ ด, ด้วยการการันตีโดยรางวัลจากหลายสถาบันแล้วโรงเรียนนี้ยังมีความเป็นเลิศในด้านอื่นๆไม่แพ้กันทั้งในเรื่องของนักร้องและวงดนตรีที่เคยส่งประกวด จ, จนกวาดรางวัลมาแล้วหลายระดับด้านกีฬาก็ไม่แพ้กัน โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ปั้นนักกีฬาเพื่อฝึกฝนไปสู่ระดับทีมชาติและที่สําคัญอีกอย่างที่เคยได้รับรางวัลในต่างประเทศมาแล้วที่จัดว่าเป็นความเป็นเลิศของโรงเรียนนี้ก็คือวงโยธวาทิตย์เด็กวงโยธวาทิตย์เป็นนักเรียนที่ซ้อมเอาจริงเอาจังมากเพราะมีการประกวดและมีโชว์อยู่เสมอจึงต้องมีการเข้าค่ายเพื่อฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนจนเด็กวงโยบางคนแทบจะเรียกโรงเรียนว่าเป็นบ้านมากกว่าบ้านจริงๆซิงเ อ, อีก ตำแหน่งแต่และตำแหน่งแน่นอนว่าต้องซ้อมด้วยกันกว่าที่จะเล่นให้เข้ากันจนเป็นที่น่าพอใจของครูฝึกได้ก็ต้องซ้อมหนักมากเช่นกันจึงไม่แปลกที่เด็กวงโยจะมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษถึงแม้ว่าจะอยู่นอกโรงเรียนหรือนอกเหนือการซ้อมแล้วก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครมีความเป็นมิตรที่มากหน่อยแล้วแล้วก็จะยิ่งมีเพื่อนมากและเป็นที่รักของเพื่อนมากยิ่งขึ้นไปอีกเช่นเดียวกันกันกบกมนเด็กหนุ่มมห้าหน้าตาหลอ่อ แต่มีนิสัยขี้เล่นมือแซกโซโฟนประจําวงที่เข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีและเป็นที่รักของทุกคนในวงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เย็นวันศุกร์หลังเลิกเรียนหลังจากที่เคลียร์ของในห้องวงโยเสร็จทุกคนก็เตรียมตัวกลับบ้านเหมือนกับทุกสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์หนึ่งจะมีวันที่ครูปล่อยให้กลับบ้านคือเย็นวันศุกร์และจะกลับมานอนโรงเรียนอีกทีก็เย็นวันเสาร์ใครที่ไม่กลับบ้านก็นอนที่โรงเรียนต่อได้ เพียงแต่ว่าเรื่องอาหารการกินจะต้องดูแลตัวเองเพราะว่าไม่มีอาหารเลี้ยงเหมือนทุกวันแค่นั้นกมนเองก็เช่นกันวันนี้เขาต้องกลับบ้านเนื่องจากพ่อกับแม่ไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดแล้วน้องของเขาก็อยู่บ้านคนเดียวเขาจึงต้องไปอยู่เป็นเพื่อนน้องหลังจากสั่งลาเพื่อนเสร็จเขาก็หันหลังให้เพื่อนเดินไปรอขึ้นรถหน้าโรงเรียนอย่างอารมณ์ดีตามประสาเขาปกติแต่เพื่อนของเขาอีกสี่ห้าคนที่เขาเพิ่งเดินจากไป น, นั้น กลับหน้าซีดกันขึ้นมาทุกคนเมื่อทุกคนมองไปไม่เห็นเงาหัวของกมลอยู่บนไหลของเขาเสร็จแล้วตอนแรกก็นึกกันไปว่าตาฝาดกันไปเองแต่พอถามกันในกลุงมทุกคนก็ได้คําตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เห็นเงาหัวของกมลจริงๆจึงปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีนิตติจึงบอกว่าเขาเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าว่าเมื่อเห็นใครที่ไม่มีเงาหัวให้รีบเอาถังหรือหม้อหรือภาชนะอะไรก็ได้ ไปครอบไว้ที่หัวของคนคนนั้นแล้วให้เคาะ3ามทีพร้อมกับพูดว่าต่อหัวให้แล้วนะขวัญเอ้ยขวัญมาเมื่อแน่ใจอย่างนั้นแล้วเร็วเท่าที่จะหาได้แบงก์ก็ได้หยิบหม้อในโรงฝึกงานเก่าๆใบหนึ่งมายื่นให้นิติจึงรีบวิ่งไปหากมลที่กําลังรอรถอยู่หน้าโรงเรียนทันทีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปพร้อมกับสีหน้าของเพื่อนอีก3ามคนที่ซีดเผือดขึ้นมาอีกครั้งอย่างไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันที่กำมนจะถามอะไร นิติก็เอาหม่อครอบลงไปบนหัวของกำมลเรียบร้อยแล้วพร้อมกับพูดคําว่าต่อหัวให้แล้วนะขวัญเอ้ยขวัญมาอย่างร้อนรอนเมื่อยกหม้อออกกำมลนก็ตบเข้าที่หัวของนิติแบบหยอกล้อกันตามประษาพร้อมกับพูดว่าเล่นอะไรของมึงเนี่ยอายเขาคนมองใหญ่แล้วเออนะ้าไม่มีอะไรหรอกกลับบ้านได้แล้วมึงรถมาโนอนแล้วนิติพูดพลางชี้มือไปที่รถที่กําลังวิ่งมาพร้อมกับพูดสัมทับอีกว่าเดินทางปลอดภัยนะมึง เออๆ อ, อขอบใจกำมวลพูดพร้อมกับรถที่วิ่งออกไปช้าๆนิติที่เดินกลับเข้าไปในโรงเรียนอย่างหายห่วงแต่ไม่ทันที่เขาจะก้าวไปถึงประตูโรงเรียนก็มีรถสิบล้อวิ่งมาฉุดร่างเขาไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องของนักเรียนเต็มหน้าโรงเรียนทันทีที่รถหยุดลงเพื่อนทั้งสามคนของเขาก็เดินฝ่าฝูงไทมุงมาที่ร่างอันไร้วิญญาณของนิติที่แน่นิ่งอยู่บนพื้นถนนพวกเขาเข่าอ่อนสุดลงกับพื้น น้ำตาไหลด้วยความเสียใจจนแทบสิ้นสติเมื่อได้เห็นสภาพของนิติเพื่อนสุดที่รักของเขามือที่เคยนวดไหล่ให้กันบัดนี้แหลกไปแล้วไม่เหลือแม้แต่เศษกระดูกไหลที่เคยได้พักพิงเวลาอยู่ด้วยบัดนี้ไม่เหลือแม้แต่เขาเดิมใบหน้าที่เคยยิ้มแย้มของเขาเวลาได้อยู่กับเพื่อนบัดนี้มันเป็นเศษเนื้อที่วางอยู่เกลื่อนถนนแม้แต่สมองที่เคยร่วมคิดเรื่องต่างๆด้วยกัน ในวันดีๆที่ผ่านมาบัตรนี้ก็กระจัดกระจายจนเกลื่อนพื้นถนนชิว่าซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทกับนิติมากที่สุดถึงกับเป็นลมหมดสติไปพร้อมกับน้ําตาที่นองหน้าอยู่เช่นกันกับแบงค์และนาที่ถึงกับหมดสติไปพร้อมกับเสียงสะอื้นที่ยังค้างคาอยู่นอกจากความเสียใจอย่างที่สุดที่จะต้องสูญเสียเพื่อนรักที่สุดไปแล้วพวกเขาทั้ง3คนยังเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถช่วยเพื่อนไว้ได้ พวกเขาคงต้องโทษตัวเองไปอีกนานที่มัวแต่ตกใจจนขาดสติจนไม่สามารถร้องบอกนิติที่กำลังถือหม้อวิ่งออกไปหากระมวลที่หน้าโรงเรียนได้ว่านิติเองก็ไม่มีเงาหัวเช่นกันงานศพของนิติถูกจัดขึ้นท่ามกลางความโศกเศร้าของบรรดาครูบาอาจารย์และเพื่อนๆที่มาร่วมงานสภาพของเขาในวันเกิดเหตุนั้นยังจาติดตาเพื่อนๆของเขาหลายคนได้ดีนิติ ที่น่ารักของเพื่อนๆคนที่เคยหยอกล้อเล่นกันในวงโยธวาทิตของโรงเรียนตั้งแต่นี้ไปภาพทุกภาพคงจะกลายเป็นเพียงความทรงจำดีๆที่เคยได้เกิดขึ้นเท่านั้นกมล น, นิติทิวาแบนนาตอนนี้ภาพห้าหนุ่มบอยแบนด์ของวงโยธวาทิตโรงเรียนคงจะเหลือแค่สี่คนแต่ทุกคนก็จะยังคงจำภาพห้าหนุ่มทะเลนี้ได้อย่างดีแน่นอน กมลนไม่ได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตัวเองไม่มีเงาหัวและนิติเป็นคนไปช่วยเขาแล้วยิ่งทำให้เขาเสียใจมากที่สุดทั้งเสียใจและทราบสิงใจในความเสียสละของเพื่อนเพื่อนที่เรียกว่าเพื่อนแท้ที่ในชีวิตหนึ่งหลายคนคงปรารถนาที่จะได้เจอแต่มันก็เป็นเวลาที่แสนสั้นเหลือเกินสาหรับเขาที่ได้มารู้จักกันแล้วต้องจากกันโดยไม่มีวันกลับแบบนี้ สิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คงจะเป็นการดําเนินชีวิตแบบปกติและทําทุกวันให้ดีที่สุดให้สมกับที่ชีวิตนี้ได้รอดพ้นจากความตายโดยการเสียสละจากเพื่อนที่เขารักและรักเขาที่สุดนั่นเองงานศพของนิติผ่านไปแล้วหลายวันท่ามกลางคําพูดของนักเรียนในโรงเรียนหลายคนที่สนิทบ้างไม่สนิทบ้างล่าถึงนิติว่าไม่ยอมไปผุดไปเกิดแต่ยังวนเวียนอยู่กับคนรอบข้าง ทั้งมาในรูปแบบของเสียงกลิ่นหรือแม้กระทั่งการมาในสภาพที่เละเทะเหมือนสภาพศพในวันที่เขาได้เดินทางจากโลกนี้ไปเสียงเล่าลือถึงเรื่องนิติที่ผ่านมาให้ได้ยินแทบทุกวันบางครั้งก็เป็นครูที่โรงเรียนหรืออาจารย์ที่เจอด้วยตนเองที่ห้องวงโยเซด้วยซ้ำแต่กับกลุ่มเพื่อนของเขาแล้วถึงแม้ทุกคนจะคิดถึงนิติเป็นที่สุดแต่ก็ไม่มีใครได้พบเจอเขาเลยแม้แต่คนเดียว เหตุการณ์ที่ทุกคนได้พบเจอกับนิตินั้นเกิดขึ้นบ่อยมากแต่ก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องโกหกแต่แน่นอนว่าก็ทำเอาหลายคนถึงกับขนหัวลุกตามๆกันไปโดยเฉพาะนักเรียนวงโยธวาทิตที่ถึงขนาดไม่กล้ามานอนค้างที่โรงเรียนเพื่อซักซ้อมกันเลยแต่ในที่สุดงานโชว์ประจาจังหวัดที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก็ทาให้ทุกคนต้องเก็บความกลัวเอาไว้ เพื่อที่จะมาเข้าค่ายซักซ้อมและค้างแรมที่โรงเรียนเหมือนเดิมการซักซ้อมของทุกคนก็เป็นปกติแรกๆอาจจะมีกลัวกันอยู่บ้างว่าจะเจออะไรไหมแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนทุกคนใช้ชีวิตการอยู่ค่ายนี้แบบเดิมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งความลับของวงโยธวาทิตที่มีผู้รู้กันอยู่แค่ไม่กี่คนก็ได้เปิดเผยขึ้นกับเพื่อนของนิติ4คนที่เหลือ โดยครูผู้ฝึกซ้อมคนเก่าแก่ของโรงเรียนที่ชื่อว่าครูพิพัฒน์ครูพิพัฒน์เป็นคนด่าเริงยิ้มง่ายแต่เวลาเรียนเวลาซ้อมก็จริงจังและทุ่มเทพเพื่อทุกฝ่ายอย่างเต็มที่จึงไม่แปลกที่ครูพิพัฒน์จะเป็นที่รักและเคารพของนักเรียนทั้งโรงเรียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กวงโยจะรักครูพิพัฒน์เป็นพิเศษเพราะเป็นทั้งผู้ฝึกซ้อมครูผู้สอนผู้ดูแลและบางคนอาจเรียกครูพิพัฒน์ได้ว่า เป็นพ่อเสียด้วยซ้ำหลังเลิกซ้อมวันหนึ่งเพื่อนของนิติเห็นครูพิพัฒน์นั่งซึมอยู่จึงเดินเข้าไปทักทายและถามว่าเป็นอะไรพวกเธอรู้ไหมการที่ครูต้องมาเห็นลูกศิษย์จากไปทุกปีปีละคนบ้างสองคนบ้างมันเป็นยังไงหลายคนอาจจะมองว่าครูเฉยๆไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในใจของครูเนี่ยมันร้องไห้จนน้าตาแทบจะไม่มีอยู่แล้วนิติเองก็เช่นกัน เขาเป็นหนึ่งในตัวตายตัวแทนของวงโยของเราที่ต้องมีคนตายเพื่อสังเวยทุกปีนี่คือความเจ็บปวดที่ครูรู้อยู่เสมอแต่สิ่งที่เจ็บปวดและทำให้ครูเสียใจไปมากกว่านั้นก็คือการที่ครูรู้แต่ครูช่วยอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่ครูทำได้คือทำได้แค่รอคอยดูว่าปีนี้วันไหนลูกศิษย์คนไหนที่จะจากครูไปอีกบ้างครูพิพัฒน์เล่าขึ้นมาพร้อมกับน้าตาที่มันกั้นไวให้ไหลกลับไปที่เดิมไม่ได้อีกแล้ว ทำไมเราไม่ให้พระหรือว่าคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้มาจัด ก, การนะครับที่ว่าถามครูเคยทำแล้วแต่ไม่ได้ผลกลับกลายเป็นมีคนตายเพิ่มมากขึ้นซะด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วก็เลยต้องปล่อยให้เลยตามเลยครูยังจำชื่อลูกศิษย์ที่เขาจากไปได้ดีตั้งแต่กอฟแก้มเจอรันแม็กจอร์ชครูพิพัฒน์กล่าวชื่อลูกศิษย์ผู้จากไปทุกคนจนกระทั่งถึงลูกศิษย์คนล่าสุดนิตติครูพิพัฒน์เล่าต่ออีกว่า แต่ก่อนที่จะมีใครตายจะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคือคนที่เขาตายไปก่อนหน้านั้นเขาจะมาเข้าฝันคนที่กำลังจะตายคนต่อไปและบอกว่าไปอยู่ด้วยกันนะนี่คือสิ่งที่คนที่เขาจากไปเล่าให้ครูฟังก่อนตายรวมทั้งนิติด้วยใช่ครับก่อนที่นิติจะเสียเนี่ยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาฝันเห็นพี่น้าอิงคนที่เพิ่งเสียไปปีที่แล้วว่าจะมาชวนเขาไปอยู่ด้วยผมก็ได้แต่บอกว่าอย่าคิดมากเลยไม่คิดเลยครับ ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนาคพูดทั้งน้ำตาในขณะนั้นที่วาก็สะอื้นร้องไห้ขึ้นมาอย่างดังจนทุกคนต้องหันไปมองด้วยสายตาที่สงสัยและกลัวว่าจะเป็นการมาเยือนของนิติหรือเปล่าแต่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือที่วา่าพูดด้วยเสียงอันสั่นเครือว่าเมื่อคืนผมฝันเห็นนิติเขามาชวนผมไปอยู่ด้วย แถวนี้ผีดุเสนอตอนอย่านอนทับที่ของกูสวัสดีค่ะทีมงานแถวนี้ผีดุดิฉันชื่อไบเฟิร์นเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพอยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ขนหัวลุกที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้พบเจอเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอผีแบบจังๆสักทีจนเมื่อประมาณ3ามปีที่แล้ว ดิฉันได้มาเช่าหอพักแห่งหนึ่งใกล้กับที่ทํางานต้องประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันโดยเฉพาะเรื่องของวิญญาณที่ว่ากันว่าในหอพักนั้นจะมีทั้งเจ้าที่เจ้าทางหรือวิญญาณอื่นๆที่ได้อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมานานแล้วบางครั้งหากผู้อยู่อาศัยทําอะไรที่ไม่ถูกใจจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามวิญญาณที่หวงที่ของตนก็จะออกมาตักเตือนจนทําให้ผู้อยู่อาศัย เกิดอาการขวัญพะวาไปตามๆกันหอพักที่ฉันอาศัยอยู่แห่งนี้ถือว่าเป็นหอพักที่ทันสมัยมีระบบคีการ์ดมีลิฟต์เอาไว้คอยบริการมียามเฝ้าตลอด24ชั่วโมงฉันพักอยู่ที่ชั้น6ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของหอพักและเป็นห้องริมสุดอีกด้วยภายในห้องมีตู้เตียงโต๊ะเครื่องแป้งเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเมื่อฉันเข้าพักที่หอพักแห่งนี้กับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเป็นรูมเมท ก็ไม่มีสิ่งใดผิดปกติจนกระทั่งหนึ่งเดือนผ่านไปฉันเริ่มฝันแปลกๆว่ามีผู้ชายแต่งตัวโบราณนุ่งจงกระเบนสีแดงตัวใหญ่กำยำมาบอกสั้นๆว่าอย่านอนทับที่แต่ฉันก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราคิดว่าคงฝันเลอะเทอะกินมากก็ฝันมากหรืออาจจะดูหนังมากไปก็ได้จากนั้นเพื่อนของที่ฉันก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อบ่อยๆเป็นชื่อของเพื่อนเองบ้างบางครั้งก็เป็นชื่อฉันบ้าง มันแว่วดังมาจากมุมใดมุมหนึ่งของห้องแต่ก็ไม่ทราบว่ามาจากมุมไหนแต่รู้สึกว่าเสียงนั้นก้องมาจากที่ไกลมากๆเป็นเสียงของผู้ชายดูห้าๆห้วนๆเหมือนไม่พอใจอะไรบางอย่างเพราะหางเสียงสะบัดตลอดเวลาที่เรียกชื่อเพื่อนของฉันเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีเพราะเริ่มกลัวจึงชวนไปไหว้สารพระภูมิที่อยู่หน้าหอพักซึ่งตอนเข้ามาพักยังไม่ได้ไหว้กันเลย จึงเกรงว่าอาจจะเป็นพระภูมิท่านมาตักเตือนหรือเปล่าแต่ทว่าเมื่อไหว้เสร็จแล้วจากนั้นเป็นต้นมาต่างคนก็ได้ยินเสียงแปลกๆอยู่เรื่อยไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงแต่มักจะได้ยินเมื่อตอนอยู่คนเดียวเช่นเสียงเหมือนคนลับมีดกับหินดังแกรกแกรกมาเป็นระยะระยะยามดึกๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนฟันดาบกันชับชบรัวๆเป็นจังหวะยาว หรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงสวดคาถาบางอย่างแว่วมาเช่นเคยซึ่งมักจะได้ยินในวันโกนหรือวันพระแต่หาต้นต่อของเสียงไม่ได้ว่ามาจากตรงไหนกันแน่ทําไม่ได้แต่สงสัยปะปนกับความผวามาโดยตลอดกระทั่งคืนหนึ่งที่ฉันนอนหลับไปก็ฝันอีกครั้งโดยได้ยินเสียงผู้ชายมาบอกเหมือนเดิมว่าอย่านอนทับที่ฉันรู้สึกเหมือนว่าเสียงนั้นมันได้ยินจริงๆไม่ใช่ความฝัน เหมือนกระซิบอยู่ข้างหูทำไม้ฉันตื่นขึ้นมาท่ามกลางความมือสลัวแต่ทันทีที่ลืมตาก็เห็นชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำกำยำหัวโลน้นหน้าอกมีรอยศับเป็นแผงยาวไปจนถึงลำคอมีหนวดเขียวครึ้มนุ่งจงกระเบนสีแดงเก่าๆยืนคร่อมตัวฉันอยู่ในตาเป็นสีแดงําจ้องขเขม็งมาที่ฉันราวกับว่ากโกรธมากมือทั้งสองข้างถือดาบยาว ปลายดาบชี้ลงมาที่หน้าของฉันแล้วพูดว่ากูบอกว่าอย่านอนทับที่ของกูสิ่งนั้นห้วนสั้นดุดันและก้องเข้าหูทันทีฉันกรี๊ดจนสุดเสียงและตกใจกลัวมากจนไม่ได้สติเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆตื่นขึ้นมาเพราะตกใจกับเสียงของฉันปี ด, ด้วยรันเปิดไฟให้แสงสว่างมันถามว่าแกเป็นอะไรหรือเปล่าฉันร้องไห้พูดจาไม่เป็นภาษาจนเพื่อนต้องปลอบสักพักจนได้สติ แล้วค่อยๆเล่าว่าเมื่อครู่เห็นผู้ชายนุ่งจงกระเบนสีแดงมาเตือนว่าอย่านอนทับที่คืนนั้นทั้งเพื่อนและฉันเองก็ไม่มีใครนอนหลับเลยเพราะเรารู้สึกกลัวกันทั้งคู่รุ่งเช้าจึงไปถามผู้ดูแลหอพักก็ไม่มีใครให้คําตอบได้เพราะพวกเขาก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนหรือเขาอาจจะปกปิดเพราะไม่อยากให้แตกตื่นก็ไม่รู้แต่ยามที่ทํางานอยู่ที่นี่มาเป็นสิบปีได้มากระซิบบอกว่าคนก่อนที่มาพักในห้องนั้นก็เจอแบบนี้เหมือนกัน จึงอยู่ไม่ได้และต้องย้ายออกไปฉันเองก็ไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงจึงได้ซื้อพวงมาลัยมาขอขมาบอกกล่าวกับวิญญาณที่เห็นในห้องว่าหากฉันกับเพื่อนได้ล่วงเกินอะไรไปโดยที่ไม่รู้มาก่อนก็ขอขมาด้วยขอให้ท่านยกโทษให้อีกไม่กี่วันต่อมาพวกเราก็ต้องย้ายออกเพราะเกรงว่าหากอยู่ต่อไปอาจจะไปนอนทับที่วิญญาณนั้นอีกและสร้างความไม่พอใจกับเขาได้ แต่ประวัติสถานที่ก็ไม่ทราบว่าในสมัยก่อนนั้นเกิดอะไรขึ้นที่บริเวณนี้และเพราะอะไรวิญญาณจึงต้องจองจำอยู่ในที่แห่งนี้โดยไม่ยอมไปไหนจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้เลยเรื่องเล่าขยำขวัญกะดึกสยองขวัญ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 ผมรู้สึกได้ว่ามีลมมาปะทะเข้าที่ตัวอย่างแรงจากนั้นบรรยากาศ ก, ก็เริ่มบองเวงขึ้นสายตาชจกรรมดันกวาดตาไปมองบนสะพานลอยผมเห็นคนคนหนึ่งผมยาวๆยืนอยู่กลางสะพานลอยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากจากนั้นผมก็เดินต่อไปเรื่อยๆเข้าใกล้สะพานลอยมากขึ้นไม่รู้อะไรดนใจให้ผมมองกลับขึ้นไปอีกครั้งบนสะพานสิ่งที่ผมเห็นก็คือเขาคนนั้นยังยืนอยู่บนสะพานลอยครับ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 เท่า น, นั้นเลยครับผมรีบเพิ่มสปีดในการเดินทันทีเพื่อให้ถึงสถานีรถไฟฟ้าให้เร็วที่สุดผมนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าด้วยความระส่ำระสายพอไปถึงที่ทางานผมแทบไม่คุยกับใครเลยครับเมื่อถึงโต๊ะที่ทางานผมได้แต่นั่งคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก่อนหน้านี้ไม่น่าเชื่อเวลาเพียงไม่ถึงสึกนาทีมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากถึงมากที่สุดภาพที่เขาคนนั้นที่โดนเชือกรัดคอ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 เรื่องเล่าเขย่าขวัญคาถาปลุกผีเวทมนต์คาถาหลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเคยได้ยินมาบ้างไม่ทางละครทีวีภาพยนตร์ตำราต่างๆก็ทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นการเล่ามาจากปากของผู้ใหญ่เก่าแก่ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มความขลังและความน่ากลัวขึ้นไปมากเลยทีเดียวครับคาถาเวทมนต์ต่างๆเป็นสิ่งที่สืบทอดในสังคมไทยมาช้านานครับ ซึ่งก็แบ่งออกเป็นสองด้านหลักๆคือด้านดำกับด้านขาวแต่ในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าขนาดนี้ก็คงมีน้อยคนแล้วครับที่จะเชื่อเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เติบโตขึ้นมาในเมืองหลายคนเติบโตมาจากชนบทจึงมีความเชื่อเรื่องพวกนี้มามากและแน่นอนว่าเมื่อโตขึ้นและได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นความเชื่อเหล่านั้นก็จะค่อยๆหายไปเองผมเองก็คงจะเป็นเช่นนั้นครับถ้าไม่มีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น สอบวัดผลปลายภาคภาคเรียนที่สองในขณะที่ฝนปลายหนาวกําลังาสาดกระหน่าในช่วงเวลาพักกลางวันวันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายอีกแค่2วิชาหลังเทีย่ยงผมก็จะได้กลับบ้านไปนอนเล่นให้สบายใจแล้ววิชาแรกของภาคบ่ายก็คือวิชาการงานอาชีพปกติผมก็จะนั่งอ่านทุกวิชาก่อนขึ้นสอบอยู่แล้วแต่วิชานี้อาจารย์ดันลืมคืนสมุดที่จดงานให้ผมก็เลยหลบฝนไปเดินเพ่นพ่านแถวห้องคอมพิวเตอร์สักหน่อยแล้วก็บังเอิญมีเครื่องว่างให้เล่นซะด้วย ผมก็นั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆครับเล่นนู่นนี่นั่นไปตามประสาจนกระทั่งมาสะดุดตากับประโยคนึงก็เลยลองคลิกอย่างรวดเร็วเข้าไปดูสักหน่อยถูกต้องครับมันคือคาถาปลุกผีรายละเอียดเขาเ ข, าเขียนไว้เลยครับว่าเป็นคาถาด้านให้คุณแต่การจะใช้แต่ละครั้งมันจะเป็นการเชิญเข้ามาหรือขอให้เขามาซึ่งเขาอาจจะไม่เต็มใจมาก็ได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขสําคัญของการใช้คาถานี้ก็คือต้องจุดทูบหนึ่งดอกก่อน และทุกครั้งจะต้องมีอาหารคาวหวานมาประกอบกับพิธีด้วยเพื่อเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนเขาจะได้มีอาหารกินและเลิกแล้วกันไปโดยที่ไม่มีอะไรติดค้าง ก, กันกับผู้ใช้คาถาทันทีที่อ่านรายละเอียดต่างๆจบผมก็นั่งคิดอยู่ครับว่าจะลองดูไหมเพราะตอนนั้นยอมรับเลยว่าไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่แต่ยังไงก็ไม่มีอะไรทําลองดูก็ไม่เสียหายอะไรหรอกมั้งหลังจากการตัดสินใจนั้นผมก็เริ่มท่องคาถาพร้อมกับจดใส่กระดาษไปด้วยเลยครับ แต่ท่องในใจนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าเอาพออยู่คนเดียวก็เริ่มท่องออกเสียงเลยครับสะอะนิโสเศส ะ, ะนิสังทุสะนิโสนุสะนิสังผมพยายามนั่งท่องอยู่อย่างนั้นหลายรอบครับจนจำขึ้นใจก่อนที่สอบภาคบ่ายเลยด้วยซ้าครับและแน่นอนครับสองวิชาภาคบ่ายที่สอบนั้นในหัวไม่มีอะไรเลยนอกจากคาถาปลุกผีหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปและในที่สุด มันก็มาถึงวันที่ผมลองใช้คาถานั้นผมจําได้ว่าวันนั้นเวลาประมาณสามทุ่มผมไปเดินเล่นที่บ้านป้าไปนั่งฟังผู้ใหญ่เขนั่งคุยกันหลังจากกินข้าวเย็นตามปภาษาแถวบ้านนอกครับแล้วผมก็เดินออกไปหลังบ้านป้าเพื่อที่จะไปยิงกระต่ายหลังจากทําธุระเสร็จผมก็เดินกลับปกติแต่แวบหนึ่งก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีอะไรให้เล่นสนุกๆอยู่ก็เลยหันหลังกลับไปที่เดิมครับหลังบ้านป้าผมจะเป็นป่าครับป่าทึบพอสมควรวันนั้นก็มืดมิด กำลังได้ที่เลยครับผมก็หันหน้ามองเข้าไปในป่าเลยครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไปว่าข้าพเจ้าชื่อเกมจะท่องคาถาปลุกผีณตอนนี้ที่ตรงนี้แต่ไม่ได้มีทูบหรือเครื่องเส้นใดมาให้เพราะอยากจะทดลองดูว่ามีผลจริงหรือไม่หากเกิดผลจริงในวันข้างหน้าข้าพเจ้าจะนําเครื่องเส้นมาถวายให้เพื่อเป็นการตอบแทนหลังจากนั้นผมก็ทําสมาธิอยู่พักหนึ่งครับหลับตาลงพร้อมกับสายลมที่พัดพลิ้วไล่ผิวกายมาค่อยๆ ทำให้ขนลุกแทบจะทั้งตัวเลยครับหลังจากรวบรวมสติผมก็เริ่มพ้องคาถาเลยครับแบบออกเสียงชัดแต่ไม่ดังมากค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งจบประโยคสุดท้ายของคาถาลงอย่างแผ่วเบาครับมามะอิเออุทุสัตณโสนโมพุทธายะทันทีที่เสียงคาถาหยุดลงไปพร้อมกับลงบางๆในตอนแรกผมรู้สึกขนลุกสะท้านไปทั้งตัวเลยครับ เพราะหมาเริ่มหอนรับกันมาเป็นสายเลยครับผมยืนนิ่งอยู่กับที่สักพักจนแน่ใจแล้วว่ามันก็แค่ของหลอกเด็กก็เลยจะหันหลังกลับเข้าบ้านครับแต่จังหวะนั้นเองหางตาของผมได้ไปสะดุดกับอะไรอย่างหนึ่งทางด้านซ้ายมือห่างออกไปประมาณ3เมตรได้ครับภาพนั้นที่ทำให้ผมนิ่งและสั่นสะท้านไปทั้งตัวก็คือผู้หญิงใส่ชุดสีครีมครับเป็นลักษณะของเสื้อกับผ้าถุงยืนอยู่แบบนิ่งๆแต่ในความนิ่งนั้น มันทําให้ใจผมเต้นแรงจนแทบจะเป็นภูเขาไฟปะทุออกมาแล้วครับและที่สําคัญเลยผู้หญิงคนนั้นไม่มีหัวครับผมยืนนิ่งอยู่สักพักเลยกลั้นใจหันหน้าไปมองแบบเต็มตาเลยครับนาทีนั้นคิดเลยครับว่าเอาวะเจอทั้งทีให้มันเต็มที่ไปเลยแต่พอหันไปกลับไม่เจออะไรเลยครับและพอผมหันหน้ากลับมาที่เดิมผู้หญิงคนนั้นเขาก็ยังยืนอยู่ที่เดิมของเขาอยู่เลยรอบนี้ผมไม่หันนะครับวิ่งหน้าตาตื่นเข้าไปผ่าวงผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่เขาก็ถามกันว่าเป็นอะไร ผมตอบว่าวิ่งหนีหมามาครับเพราะถ้าเล่าให้ฟังมีหวังโดนด่าแง่แง่เหตุการณ์ดูเหมือนจะเงียบไปแล้วครับแต่หลังจากนั้น3มวันกลางดึกขณะที่ผมกําลังทําการบ้านอยู่ชั้นสองของบ้านซึ่งเป็นบ้านสังกสีครับและที่สําคัญนอนคนเดียวด้วยได้มีเสียงเหมือนคนเดินอยู่บนหลังคาชั้นหนึ่งเพราะเสียงสังกสีบ้านดังชัดมากคืนนั้นผมรีบนอนคลุมโปงเลยครับแต่ก็เป็นอย่างนั้นทุกคืนติดต่อกันหลายคืนเวลาเดิมๆซ้ําไปซ้ำมา จนวันหนึ่งผมทนไม่ได้เลยตะโกนออกไปแบบลืมกลัวเลยครับว่าโอ้ยลำคาญจนแม่กับพ่อถามครับว่าเป็นอะไรผมก็เลยตอบกลับไปว่าผมกาลังคุยโทรศัพท์อยู่และหลังจากวันนั้นผมจําได้ว่าได้ไปเวียนเทียนที่วัดครับที่วัดมีการกรวดน้ําผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาแล้วเขาก็ไม่มาให้เรารับรู้อีกเลยครับว่าเขาอยู่ข้างๆเราหรือไม่ผมคิดว่าเขาอาจจะหายไปจากชีวิตผมแล้วก็ได้ แต่แน่นอนครับว่านอกจากความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเลือนหายไปไหนเลยในความคิดของผมนั่นก็คือทุกตัวอักษรของคาถาปลุกผีนั่นเองแถวนี้ผีดุเรื่องเล่าผีเขาคือใครกับร่างบอกเหตุเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวของคุณพิสนุคุณพิสนุเล่าผ่านหลังไม้มาให้ในเพจเฟ e บุ o กแถวนี้ผีดุให้ฟังว่าในสมัยที่ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ราวสิบปีที่ผ่านมาเห็นจะได้ผมมีเพื่อนนักเรียนร่วมแก๊งกันหลายคนทุกคนมีนิสัยร่าเริงบางคนติดที่จะทะเลน์หำหามนิดหน่อยตามประสาวัยรุ่นขาโจทั่วไปถึงแม้พวกผมจะเรียนในโรงเรียนบ้านนอกแต่พ่อแม่ของพวกเราก็พอจะมีฐานะปานกลาง จึงได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ดังมากในจังหวัดสมัยนั้นเวลามีงานกิจกรรมของโรงเรียนเรามักจะรวมตัวกันไปช่วยเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนจิตอาสาเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนเสมอเพื่อนๆผมก็เช่นกันในกลุ่มทุกคนจะทราบกันดีว่ากลุ่มของเราเป็นเด็กกิจกรรมถึงแม้จะเรียนไม่เก่งมากนะักแต่การเรียนพวกเราก็สามารถเอาตัวรอดได้ชอบทํากิจกรรมจิตอาสาให้กับโรงเรียน หรือแม้กระทั่งตามที่สาธารณะหรือตามวัดต่างๆทําทให้ทั้งอาจารย์และแกนนําชุมชนที่เรารู้จักมักจะให้ความอนุเคราะห์เราด้วยการจ่ายมาเป็นเงินเล็กๆ น, น้อยๆเพื่อเป็นค่าน้ํามันหรือค่าเดินทางพวกเราที่ไปช่วยงานกิจกรรมหลายครั้งที่มีกิจกรรมจิตอาสาแต่เราไม่ได้รับเงินทองเป็นค่าตอบแทนได้เพียงข้าวที่เลี้ยงพออิ่มท้องแบบสบายแต่กลุ่มเราก็ไม่เคยบ่นว่าเรื่องได้เงินหรือไม่ได้เพราะทุกครั้งที่เราได้เงินมา เราจะเก็บไว้เป็นกองกลางของกลุ่มเพื่อไว้ใช้เป็นค่าเดินทางและค่าน้ามันรถไปเรื่อยๆผมยังจำได้เสมอมาจนถึงทุกวันนี้มีเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งชื่อว่านัทนัทจะเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีรักเพื่อนและให้ความสำคัญกับเพื่อนทุกคนรวมถึงเวลานัดไปทำงานนัทจะอาส า, ศาศทางานที่ลาบากกว่าเพื่อนๆคนอื่นๆเสมออาจเป็นเพราะนัทคิดว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของเพื่อนได้ ัเป็นคนที่ร่างสูงใหญ่กํายําพอสมควรเมื่อเทียบกับเพื่อนๆในขณะนั้นมีอยู่วันหนึ่งพวกเรารับอาสาไปทําความสะอาดวัดซึ่งเป็นวัดใกล้กับโรงเรียนเนื่องจากเจ้าอาวาสมาขอความช่วยเหลือแจ้งมาทางอาจารย์ที่ปรึกษาว่าให้พาเด็กๆไปช่วยกันกวาดวัดทําความสะอาดตัดต้นไม้ให้หน่อยเพราะวัดจะมีงานประจําปีเจ้าอาวาสเลยอยากที่จะทําความสะอาดวัดให้สะอาดก่อนวันจัดงาน แต่บรรดาญาติโยมที่มาวัดส่วนใหญ่ก็มีอายุมากๆกันแล้วมัคทายกหรือปัจจุบันที่เขาเรียกกันว่าวยาวัจกรที่คอยช่วยเหลืองานวัดก็มีอายุมากแล้วส่วนจะจ้างคนงานมาช่วยก็ทําได้ยากเพราะวัดเป็นวัดที่ไม่มีเงินมากมายพอได้เงินปัจจัยมาก็นํามาบูรณะวัดจนหมดไม่เหลือเก็บไว้ที่จะจ่ายเป็นค่าแรงเจ้าอาวาสจึงมาขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ได้แจ้งให้ในห้องของพวกเราทราบ เพราะในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็มีอยู่หลายห้องซึ่งห้องเราก็เป็นห้องหนึ่งที่ยินดีให้ความร่วมมือและกลุ่มเราก็นัดกันไปในวันเสาร์นั้นเลยเรื่องราวอันนาขนหัวลุกเริ่มต้นขึ้นที่นี่วันที่พวกเราไปทำความสะอาดวัดกันทุกคนรวมตัวกันที่วัดแต่เช้าครนัดกันว่าหลังจากทาความสะอาดแล้วก็จะกินข้าวข้นบาดหลวงตากันจึงรวมตัวกันตั้งแต่หนาฬิกาเริ่มทาความสะอาดตั้งแต่สาลาวัด โบสถ์ห้องน้ำรอบวัดบนวัดตั้งแต่เช้าไม่ได้หยุดคิดว่าวันเดียวคงทำกันไม่เสร็จกะว่าพรุ่งนี้ค่อยมาทำใหม่เพราะเป็นวันอาทิตย์ในขณะที่ทำความสะอาดอยู่นั้นผมก็เห็นชายร่างกำยำตัวโตมากมากกว่าเจ้านัดเพื่อนผมที่ว่าตัวโตกว่าใครในกลุ่มเดินทำความสะอาดไปกับเจ้านัด ต, ตลอดเวลาผมก็รู้สึกสงสัยว่าใครชวนมาแถมยังแต่งตัวแปลกๆนุ่งจงกระเบนสีแดงเชื้อแสงไม่ใส่ แต่เป็นเพราะพวกเรายุ่งอยู่กับการทําความสะอาดเลยไม่ได้พูดคุยกันมากนะักพอได้พักผมเลยเดินก็ไปหาจ้านัดและถามด้วยความเครือดแคลงสงสัยว่านัดใครวะที่เดินตามแกตลอดเวลาเลยอ่ะแกกวาดเขาก็กวาดแกถูเขาก็ถูแถมแต่งตัวแปลกๆด้วยนุ่งจงกระเบนสีแดงเสื้อผ้าไม่ใสตลกดีไม่พูดจากับใครเลยนัดมองผมด้วยสายตาแปลกๆแล้วก็หันมาบอกว่าใครกันวะข้าไม่เห็นเลย เองเหนื่อยจนตาลายหรือว่าข้าไม่ได้สังเกตวะผมก็งงอ้จนนั้นไม่เห็นแล้วใครกันถา ม, เ, มเพื่อนๆในกลุ่มก็ไม่มีใครรู้จักเลยยังหาว่าผมตลกคงเหนื่อยจนตาลายหรือไม่ก็เป็นคนที่เจ้าอาวาสให้มาช่วยดูแลพวกผมแต่เขาอาจไม่ค่อยชอบพูดเมื่อเห็นพวกผมพักเหนื่อยก็เลยเดินกลับไปหาเจ้าอาวาสพวกเราคิดกันเองแล้วก็สันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นหลังจากพักหายเหนื่อยก็เดินไปขอข้าวคุณบาทเจ้าอาวาสที่เรามักเรียกติดปากว่าหลวงตา ก, กินกัน วันรุ่งขึ้นเราก็นัดกันมาทำความสะอาดวัดกันต่อเวลาเดิมวันนี้ผมก็เห็นพี่ชายคนเดิมเขาแต่งชุดเดิมจงกระเบนสีแดงมาเดินตามนัดทำความสะอาดผมจ้องมองเขาเขาหันมาสิ่งที่ทำให้ผมตัวชาขนหัวหรือจะเรียกว่าขนลุกทั้งตัวก็ตรงที่ลูกตาของพี่ชายตัวโต น, นั้นออกจะเป็นสีแดงๆน่ากลัวประกอบกับพี่ชายแต่งตัวแบบคนโบราณแถมตัวยังดาทุกอย่างประกอบกันน่ากลัว จ้องเขาเขาจ้องผมจนผมต้องละสายตามาเองด้วยความกลัวในใจก็นึกว่าเขาเป็นใครกันแน่นะทําไมเพื่อนๆคนอื่นไม่สังเกตเห็นว่ามีเขาอยู่ด้วยทําเหมือนมีแต่พวกเราทําความสะอาดกันอยู่หลังจากที่ทําเสร็จก็มานั่งพักเหนื่อยผมยังจําดวงตาของพี่ชายตัวโตได้ผมเรียบๆเคียงๆถามนัดว่าวันนี้เห็นพี่ชายคนเดิมมาด้วยไหมทุกคนบอกว่าไม่เห็นความรู้สึกของผมเริ่มกังวลทําไมผมเห็นคนเดียวละ่ะ แต่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเรื่องแบบนี้ถ้าเพื่อนบอกไม่เห็นไม่มีก็แล้วไปนั่งพักกันไปสักพักหนึ่งคุยกันอย่างสนุกสนานจนนัดก็เอ่ยถามขึ้นมาทําให้พวกเราเงียบกันเป็นหมดถ้าข่าไม่อยู่กับพวกเองพวกเองจะคิดถึงข่าไหมทุกคนมองหน้ากันผมรีบถามนัดว่าเฮ้ยทำไมเอ็งถามแบบนี้ว่านัดเอ็งเป็นเพื่อนรักของพวกเราเอ็งไม่อยู่ทำไมจะไม่คิดถึงละ่ะเอ็งจะไปไหนเอ็งจะไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพเหรอเนี่ยบอกว่าจะเรียนต่อได้กันไงทำไม่ผิดสัญญากันละ่ะ ขณะที่ผมถามนัดออกไปทำํำไมใจผมรู้สึกวิววิวยังไงบอกไม่ถูกนัดดูหน้าตาเศรๆผิดปกติจนผมเริ่มกังวลนัดเป็นอะไรหรือต้องย้ายบ้านแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยนี่นานัดตอบกลับมาไม่ได้ย้ายบ้านแต่ค้าว่าถ้าค้าไม่มีพวกเองเนี่ยข้าคงเหงานะแล้วก็อยากรู้ถ้าพวกเองไม่มีค้าพวกเองจะรู้สึกยังไงไม่มีอะไรอ่ะไปปะไปกินข้าวกลันบาดหลงตา ก, กันก่อนที่จะไม่มีโอกาสกิน นัดพูดออกมาแบบนั้นยิ่งทําให้ผมใจไม่ดีหน้าเสียแต่เพื่อนๆคนอื่นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเฮกันไปกินข้าวทำํำไมผมรู้สึกแปลกๆใจหวิวๆบอกไม่ถูกแต่ก็วิ่งตามเพื่อนๆไปหาหลวงตาพอถึงกุฏิหลวงตาทุกคนก็ก้มลงกราบหลวงตาวันนี้หลวงตาไม่เล่นเล่นกับพวกเราหันมองหน้าผมแล้วก็มองหน้านัดแบบแปลก ๆ, ๆก่อนจะกินข้าวหลวงตาถามพวกเราว่าทํากันเสร็จไหมพวกเราตอบว่า เรียบร้อยครับหลวงตาสะอาดเอี่ยมเดี๋ยววันเสาร์หน้าเรามากราให้อีกรอบก่อนวันงานวันอาทิตย์ครับไม่ต้องห่วงครับสบายมากหลวงตาควักมือลงไปในย่ามและหยิบซองขาวออกมาซองหนึ่งเอาหลวงตาให้สมทบเงินทุนเข้ากลุ่มพวกเองนะเอาไว้เป็นทุนจิตอาสาช่วยเหลือชาว บ, บ้านต่อไปพวกเราไม่ได้ขัดหลวงตาก้มลงกราบแล้วก็ขอข้าวหลวงตากินหลังจากกินข้าวเสร็จก็มานั่งข้างหน้าหลวงตาหลวงตาหันมามองหน้าผม แล้วก็หันไปทางนัทแล้วถามว่าปีนี้พวกเองอายุเท่าไหรกันแล้วพวกเราตอบ18แล้วครับบางคนก็ย่าง19ครับเกิดก่อนหลังกันไม่กี่เดือนครับหลวงตาปีหน้าก็เข้าเรียนมาหาลัยได้แล้วแหละครับพวกเราตอบพราอนี้หลวงตาหันไปมองหน้านัทเจ้าละ่ะอายุเท่าไหร่นัททำหน้างงๆผมก็งงแต่ก็ตอบหลวงตาผมย่าง19ครับหลวงตานัทตอบหลวงตาแบบงงๆหลวงตาพูดต่อไป นีเขามานานเหมือนกันนะเขามาตามกลับอย่าขัดขืนกลับไปกับเขาซะเจ้านเป็นคนดีทำกรรมดีไว้เยอะไม่ลำบากมากไม่ต้องอยู่โลกมนุษย์นานจงกลับไปอย่างสงบนะหลวงตาจะบอกเขาเองว่าไม่ต้องเอาเจ้าไปแบบทรมานนะเจ้าเป็นคนดีทุกคนมองหน้ากันงงสงสัยวันนี้หลวงตาจะเพ้อแก่แล้วด้วยผมคิดในใจแต่ในใจก็รู้สึกวิววิวโหวงโหวงกับคาพูดหลวงตา แต่ก็ไม่มีใครถามอะไรมองหน้ากันงงๆหลวงตาจึงไล่กลับไปไปข้าจะนอนแล้วง่วงรอพวกเองทำวัดเสร็จก็จะนอนพักสักหน่อยพวกเราจึงไม่กวนหลวงตาเดินออกมาแยกย้ายกันกลับบ้านเช้าวันนุ่งขึ้นเป็นวันจันทร์ทุกคนมาโรงเรียนซึ่งเป็นเทอมสุดท้ายก่อนปิดภาควันนี้ผมรู้สึกแปลกๆตอนเข้าแถวเคารพธงชาติไม่เห็นนัดเลยพอเข้าห้องก็ยังไม่เห็นผมถามเพื่อนๆคนอื่นๆในกลุ่มว่าเห็นนัดไหม เพื่อนๆก็บอกว่าไม่เห็นทุกคนคิดว่านัดไม่สบายเพราะสองวันมานี้เราทําวัดกันจนเหนื่อยโดยเฉพาะนัดมักจะทํางานหนักกว่าคนอื่นๆเสมอจึงตกลงกันว่าเดี๋ยวเย็นๆหลังเลิกเรียนจะไปเยี่ยมนัดกันแต่พอสายๆผมเห็นน้าชายของนัดเดินเข้าห้องอาจารย์ที่ปรึกษาไม่รู้มาทําไมแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเล่นฟุตบอลกันไปตามประษาวัยรุ่นพอเข้าห้องช่วงคาบเรียนตอนบ่ายอาจารย์ที่ปรึกษาเดินเข้าห้องมาทั้งๆที่ไม่ใช่วิชาของแก พวกเราเดี๋ยวตอนเย็นเลิกเรียนยังไม่ต้องกลับบ้านนะครับครูจะพาไปเคารพศพเพื่อนของเราแค่ได้ยินว่าเคารพศพเพื่อนของเราใจผมตกไปอยู่ที่ตาตุ่มหน้าซีดมือเท้าเย็นขนหัวลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกตั้งใจฟังที่อาจารย์ที่ปรึกษาพูดนัดเพื่อนในห้องเดียวกับเราเขาเสียชีวิตเมื่อสายๆน้าชายเขามาแจ้งให้ครูทราบเย็นนี้เคารพน้าศพเดี๋ยวครูจะพาไปนะครับผมแทบจะไม่เชื่อคําพูดของอาจารย์ประจําชั้น พวกเราทุกคนในกลุ่มนั่งทำหน้างงนัดเป็นอะไรตายก็เมื่อวานยังทำความสะอาดกันอยู่เลยนัดก็ดูร่าเริงไม่มีทีท่าว่าจะเสียชีวิตผมนึกย้อนถึงคำพูดของหลวงตาเมื่อวานภาพของพี่ชายตัวโตวนุ่งโจงสีแดงปรากฏขึ้นในสมองอย่างรวดเร็วสิ่งที่หลวงตาพูดกับนัดไม่ใช่เรื่องพูดเพ้อเจ้อหลวงตารู้ทุกอย่างพี่ชายตัวโ ต, วตวเป็นใครกันแน่ทำไมต้องมาหานัดตามนัดไปด้วยคำถามมากมายผุดขึ้น ผมต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่นัดจากไปหลวงตาช่วยทําศพนัดพ่อแม่ของนัดเศร้าเสียใจกับการจากไปอย่างไม่ทราบสาเหตุของลูกชายคนดีเพื่อนในกลุ่มทุกคนเสียใจแต่ไม่มีใครแสดงออกมาเป็นคําพูดในวันเผาผมและเพื่อนๆช่วยงานกันอย่างสุดความสามารถพอถึงเวลาเผาพวกเราก็ยืนจากดอกไม้จันอยู่หน้าเมนพอเริ่มจุดไฟพ่อกับแม่ของนัดเป็นลมผมซึ่งเป็นเพื่อนรักกับนัดมากกว่าใคร มองขึ้นไปบนปล่องไฟอยากจะส่งวิญญาณ น, นัทเป็นครั้งสุดท้ายจึงขึ้นไปวางดอกไม้ให้กับเพื่อนหลังจากนั้นก็รอจนไฟในเตาเกือบมอดสิ่งที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองผมเห็นร่างบางเบาของนัทกับชายอีกสี่คนคราวนี้ผมเห็นชายที่แต่งตัวเหมือนกับพี่ชายตัวโตวคนนั้นแต่คราวนี้มากันสี่คนยืนล้อมนัทอยู่นัทหันหน้ามาทางผมแล้วยิ้มให้อย่างเหงาๆโบกมือให้ผม แล้วร่างทั้งห้าก็หายไปผมขยี่ตาซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งที่เห็นคืออะไรกันแน่วันเสาร์ถัดมาพวกเราก็ไปทำความสะอาดก่อนวันงานให้กับหลวงตาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่สนุกเหมือนทุกครั้งทำเสร็จก็ไปกราบหลวงตาเหมือนเดิมแต่ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านผมยังคงนั่งตรงหน้าหลวงตาหลวงตามองหน้าแล้วก็พูดขึ้นเหมือนรู้ใจเองก็เห็นแล้วว่าเขามาตามเพื่อนเองไปข้ารู้ว่าเองเห็น เขาเป็นโยมาทู่ที่มารับวิญญาณเพื่อนเองเพื่อนเองหนีเข้ามาเกิดหนีมานานแล้วเขาตามมาเจอเขาก็บอกว่าไม่อยากเอาไปเพราะเพื่อนเองเป็นคนดีอยากให้อยู่แต่ว่าขัดกฎแห่งกรรมไม่ได้ต้องทำหลวงตาบอกแบบเศร้าๆเช่นกันผมเดินกลับม้านแบบตัวเบาสิ่งที่นัดพูดว่าถ้าไม่มีเพื่อนคนนี้พวกเองจะคิดถึงไหมสิ่งที่หลวงตาพูดนี่ทุกอยากเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันมันเกิดขึ้นจริงๆหรือเนี่ย สิ่งที่เห็นคือยมมาทูดมารับบิญญาณผมคิดในใจต่อไปผมต้องทำความดีให้มากกว่าความชั่วจะได้ไม่ต้องไปทรมานในนรกท่งคิดว่ามีจริงอย่างแน่นอนเรื่องเล่าขยาดขวัญห้องพักชั้น4ี่สวัสดีครับพี่พี่ทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่ออ้๊ม วันนี้ผมมีเรื่องราวสยองขวัญที่เพื่อนของผมได้เล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของธีวาเพื่อนสนิทที่เจอกับเรื่องราวที่ลืมไม่ลงโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าช่วงเย็นประมาณ5้าโมงครึ่งธีวากับเพื่อนๆของเขากำลังเดินทางไปเตะบอลที่สนามหญ้าเทียมแห่งหนึ่งที่เขากับเพื่อนได้จองสนามกันไว้แต่ระหว่างทางที่จะไปถึงสนามบอลธีวาต้องแวะไปรับดีมเพื่อนสนิทที่พักระแวกใกล้เคียงที่จะเดินทางไปสนามบอล ตอนที่ทิวากำลังจะเดินเข้าไปหน้าหอพักของดรีมเขาสังเกตได้ว่ามีอะไรอยู่ที่ห้องพักชั้นสี่ที่ระเบียงนั้นหันออกมาด้านข้างคนที่ผ่านไปผ่านมาจะมองเห็นภายในห้องตอนนั้นที่วาก็สังเกตเห็นบางอย่างเลยจ้องไปที่ห้องพักชั้น4ี่เขาเห็นผู้หญิงสองคนยืนอยู่ในห้องพยายามโบกมือทักทายที่วาอยู่พอที่วาเห็นผู้หญิงสองคนกําลังโบกมือให้เลยโบกมือกับยิ้มกลับไปและที่วานึกได้ว่าห้องพักนั้น อยู่ติดกับห้องของดรีมแต่ไม่เอะใจอะไรรอดรีมได้ลงมาพอดรีมมาถึงทิวาเลยถามไปว่าเ <ga an> ฮ้ยไอ้ดรีมสาวห้องข้างๆมึอ <ga an> งอะจำดีนี่ว่าเมื่อคียบอกไม้ <ga an> บวกมือทัทกทายกูใหญ่เลยเ <ga an> มื่อดรีมได้ยินแบบนั้นรีบปฏิเสธทันทีว่า <ga an> <ga an> สาวไหนกูไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยกูพักที่นี่ได้สามเดือนอยัง <ga an> ยไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูจากห้องข้างๆเลยนะดรีมตอบพอทิวาได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งสงสัยว่าหญิงสองคนนั้นเป็นใคร เฮ้ยก็อาจจะย้ายมาตอนที่มึงไม่อยู่พอดีหรือเปล่าช่วงนี้มึงกลับดึกด้วยเนี่ยทิวาพูดเออก็อาจจะใช่นะเพราะตอนดึกๆกกูกได้ยินเสียงจากห้องข้างๆบ่อยๆได้ยินเสียงกําลังอาบน้ําบ้างหรือว่าทําอะไรไม่รู้เสียงดังเกือบทุกคืนเลยว่ะพอที่วาได้ยินที่ดรีมพูดก็ไม่คิดอะไรเออไอ้ดรีมพอเล่นเสร็จเนี่ยกูขอขึ้นห้องมึงก่อนนะว่าจะอาบน้ําสักหน่อยได้สิปกติมึงก็ขึ้นมาอาบน้ําห้องกูประจําอยู่แล้วเนี่แต่ตอนนี้ไปสนามกันก่อ น, อนดีกว่าคนนั้นรอนานแล้วมั้ง ตอนที่ทิวากับดรีมกําลังเดินออกจากห้องเพื่อไปสนามบอลทิวาได้หันหลังกลับมาห้องพักชั้น4ี่อีกครั้งแต่ในห้องทิวากลับไม่เห็นอะไรเลยทิวากับดรีมได้เล่นบอลตามปกติจนถึงเวลาเลิกทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับหอหรือบ้านกันหมดทิวากับดรีมก็กลับที่พักตอนที่ทิวามาถึงหอพักทิวาด้เงยหน้ามองไปที่ชั้น4ี่อีกครั้งคราวนี้เห็นผู้หญิงในห้องสองคนยืนตัวตรงด็ก ไม่ขยับหรือทําอะไรที่วาได้สะกิดรีมให้มองขึ้นไปที่ชั้นสี่เฮ้ยเฮ้ยนั่นไงนั่ไงเห็นปะสองสาวกําลังมองมาทางเราอ่ะที่วาสะกดรีมไหนวะกูไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่ก็มืดแล้วนอจากตึกข้างๆหรือเปล่ามึงยิ่งสายตาสั้นอยู่นี่พอที่วาได้ยินที่ดรีมพูดเขาไม่เชื่อว่าดรีมไม่เห็นผู้หญิงในห้องชั้นสีพยายามเดินให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะมองไปข้างบนให้เห็นชัดที่สุดพอใกล้กับทางเข้าหอพักที่วาก็ยังเห็นผู้หญิงคน ยืนมองมาทางเขาอยู่แต่รอบนี้ที่ว่าไม่ได้บอกดรีมรีบที่จะไปอาบน้ําก่อนเมื่อมาถึงห้องที่ว่าจัดแจงอาบน้ําจนเสร็จตอนนั้นเขาเหมือนได้ยินเสียงกรีดที่ดังมาจากห้องข้างๆจนที่ว่าสะดุ้งที่ว่าหันไปถามดรีมว่าได้ยินเสียงนั้นไหมดรีมทำหน้าง ง, งๆตอบที่ว่ามาสั้นๆว่าเสียงอะไรไม่เห็นจะได้ยินอะไรดรีมก็พยายามที่จะตั้งใจฟังว่ามีเสียงกรี๊ดจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ยินอะไร ทิวานึกว่าตัวเองหูฝาดก็เดินไปแต่งตัวตามปกติแต่เสียงกรี๊ดก็ดังมาอีกรอบนี้ที่วาแน่ใจว่าได้ยินเสียงกรี๊ดดังมาจากห้องข้างๆที่วาถามดรีมอีกวา่าได้ยินเสียงกรี๊ดหรือเปล่าดรีมก็สายหัวทิวารีบเปิดประตูไปเคาะประตูห้องข้างๆเคาะไปได้สักพักก็ไม่มีใครมาเปิดห้องที่วารีบกลับห้องถามดรีมวา่ารู้จักเบอร์เจ้าของหอหรือมีกุญแจห้องข้างๆหรือเปล่าดรีมก็เริ่มรำคาญ ไลยพาทิวาไปห้องเจ้าของหอที่อยู่ชั้นสองพอถึงห้องเจ้าของหอทิวาถามกับเจ้าของหอว่าข้างๆมีคนอยู่หรือเปล่าและเล่าเรื่องไปว่าเห็นมีคนอยู่ในห้องและได้ยินเสียงกรี๊ดพอเจ้าของหอได้ฟังเรื่องที่ทิวาเล่าให้ฟังก็ทำหน้างงๆพูดมาเพียงว่าห้องนั้นไม่มีคนอยู่นะพอทิวาได้ยินแบบนั้นยิ่งไม่เชื่อเข้าไปใหญ่พยายามถามเจ้าของหออยู่หลายรอบจนเจ้าของหอถามทิวาว่าที่มีคนอยู่อ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงและอยู่กันกี่คน ที่ว่าตอบ ก, กลับไปว่าผู้หญิงสองคนครับพอเจ้าของหอได้ยินพยายามถามต่อว่าผู้หญิงสองคนนั้นใช่ห้องชั้นสีหรือเปล่าที่ว่าพยักหน้าบอกกับเจ้าของหออีกว่า <mm> เห็นบกมือทักทายตั้งแต่เขายังไม่เข้ามาในหอพอเจ้าของหอได้ยินแบบนั้นรีบพูดทันทีว่า <mm> ห้องนั้นไม่มีคนอยู่ห้องนั้นว่างมานานแล้วไม่มีคนพักดรีมบอกกับเจ้าของหอว่า <mm> บางคืนผมได้ยินเสียงเหมือนคนอาบน้ําอยู่เลยนะครับเจ้าของหอก็ยืนยันว่า ห้องนั้นไม่มีคนอยู่จริงๆสองคนพยายามซักถามอยู่นานเจ้าของหอเลยตัดสินใจเล่าประวัติห้องชั้นสี่ไปว่าห้องนั้นเคยมีผู้หญิงสองคนอยู่ด้วยกันแล้วมีคนหนึ่งท้องแล้วตัดสินใจทำแท้งในห้องน้ำแล้วเสียชีวิตเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันเธอเสียใจมากเลยผูกคอตายตามที่ว่ากับดรีมนึกว่าเจ้าของหออำเล่นเลยเขากุญแจห้องชั้น4ีเพื่อจะไปดูให้ชัดๆว่าไม่มีคนอยู่เจ้าของเลยอาสาไปเปิดห้องด้วย พอมาถึงหน้าห้องและเปิดประตูในนั้นไม่มีคนอยู่มีแต่เศษฝุ่นกับเปล่งเหม็นอับทิวากับรีมหน้าผอสีทันทีพอรู้ว่าห้องข้างๆไม่มีคนอยู่ทิวาลยขอตัวกลับห้องตัวเองก่อนรีมก็ไม่ได้พูดอะไรกลับเข้าห้องตามปกติตอนที่ทิวาได้ออกจากห้องนั้นก็เป็นเวลาเกือบสามทุ่มพอพักจะเปิดไฟสว่างทั่วทั้งตึกพอทิวากลับไปมอห้องชั้นสี่ทิวาเห็นผู้หญิงสองคนยืนอยู่ที่ระเบียง กำลังยืนบอกมือให้และรอบนี้แสงสว่างของไฟทิวาเห็นหน้าของผู้หญิงสองคนนั้นได้ชัดมากสองคนนั้นหน้าซีดผมยุ่งใส่เสื้อผ้ากเก่าๆผู้หญิงคนแรกที่ทิวาเห็นเสื้อผ้าเปื้อนเลือดเต็มไปหมดผู้หญิงอีกคนก็มีเชือกคล้องอยู่ที่คอสองคนมองมาที่ทิวาหน้าของผู้หญิงสองคนกำลังยิ้มกับบอกมือมาให้ พอที่วาเห็นแบบนั้นก็หน้าถอดสีรีบเดินออกไปไม่หันมามองอีกตั้งแต่ตอนนั้นมาที่วาไม่เคยมาเล่นบอลที่สนามบอล น, นั้นและไม่เคยเข้ามาห้องเรียอีกรียเองก็อยู่ห้องได้ไม่ถึงเดือนก็ย้ายออกเพราะได้ยินเสียงประหลาดจากข้างห้องทุกคืนจนทนไม่ไหวเลยย้ายหนีออกไปหากช่อกดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ